บทที่7มีกรรมกรของบริษัทไทยไวฟไลฟ์ติดตามมาด้วยสามสี่คนและคนเหล่านั้นกําลังลำเลียงหีปหอสัรภาระต่างๆบางอย่างมันจุในหีบหนังและบางอย่างก็อยู่ในถุงทะเลลงจากรถเสียงนำพลเป็นคนวงการให้คนของเขาเหล่านั้นช่วยกันลำเลียงขึ้นไปก่อนและวกิอนอดไม่ได้ที่จะเมินดูสัมภระเหล่านั้นพอไม่เห็นอะไรละเอียดนักเพราะทุกสิ่งมันจุอยู่ในหีปหอดังกล่าวอย่างไรก็ตามจากลักษณะ ของการแพ็คของและวัตถุหีบห่อที่บรรจุมาเขารู้สึกว่านายจ้างอเมริกันกลุ่มนี้มีความชํนานาญพอใช้ในการบรรจุสิ่งของเพื่อจะออกเดินต่า ก, กันอย่างไม่รัวนาคเพราะหีบทุกหีบพอแน่นหนาะแข็งแรงและเหมาะกับภาพของการหาผิวหรือแบบแไปอย่างสมบุกสมบันยิ่งนักวอ ต, ตอร์สเตอรีไปช่วยควบคุมวงการในการเคลื่อนย้ายสิ่งของลงจากรถอีกคนหนึ่งอย่างใกล้ชิดโดยคอยเกิดให้พวกกรรมกรระมัดระวังในการขนสพระบางส่วน ตาพินยังไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ยืนดูอยู่เฉยๆบนรีเชิร์ุทธแอบกก็มาตาสิบบเขาว่ามีวัทยุรับส่งแรงสูงกับอุปกรณ์จำเป็นบางอย่างในการตรวจค้นหากรรมสภาพลังสีซึ่งจะต้องระมัดระวังมากครับในการเคลื่อนย้าย ของที่จะต้องประครับประคองเหล่านี้น้ําหนักไม่มากนะักผมเองก็ได้ให้คําแนะนําและตรวจสอบสัมภาระที่พวกเขาจะเอาไปดันด้วยในครั้งนี้โดยไม่ให้เกินพิกัดแต่ถึงอย่างไรก็รู้สึกว่ามันออกจะค่อนข้างมากอยู่สักหน่อยอยู่ดีกระเป็นคำนวณด้วยสายตาคว้าแล้วยิ้มเรี่ยๆอะไรก็ตามแต่จะครับอย่าให้เกินกําลังของคนสิบคนที่จะแบกหามไปได้ก็แล้วกัน ผมจัดลูกหากไว้แล้วสิบคนถ้าจะหาขอก็ได้ห้าคู่พอดีกำลังคนที่มากกว่านี้มันออกจะเอิบกเกริองและเกะกะเกินไป ปรเดี๋ยวพอได้โอกาสคุณลองตรวจดูอีกทีสิครับว่าจะมีอะไรตัดออกไปได้บ้างในสิ่งที่คุณเห็นว่าไม่จำเป็นยกเว้นอุปกรณ์ทางเทคนิคแต่ผมสังเกต ด, ดูจากการจัดของของคนพวกนี้ก็พอจะทราบได้บ้างว่าพวกนี้ไม่เลวนะหรอกรัฐบาลของเขาคัดตัวมาถูกต้องแล้วเพราะเข้าใจในการเลือกการเดินบาได้เป็นอย่างดีผู้หญิงสองคนนั่นก็เข้าใจว่าคงจะไม่เป็นภาระอะไรมากนักเพราะเข้าตัวมากเชีเดียวสาธุ ขอให้เป็นอย่างที่คุณเชิดวุฒิหมอะครับผมจะได้สะดวกปตัดโปรใจขึ้น อ, อีกมากว่าแต่ว่าผมมีสิทธิ์ที่จะตรวจเท็จของเหล่านี้หรือครับยกเว้นจากอุปกรณ์จําเป็นทางเทคนิคแล้วผมได้พูดให้พวกนี้เข้าใจไว้ก่อนแล้วว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะแนะนําได้ว่าควรจะตัดอะไรออกไปบ้างที่คุณเห็นว่าไม่จําเป็น เท่าที่ผมเห็นเห็นเครื่องใช้ส่วนตัวของแต่ละคนก็ไม่มากนักมีเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นรับรองให้คุณเบาใจได้ก่อนหรือว่าพวกนี้ไม่ได้จัดของแบบนักโัษณาจนเพื่อแสวงหาความสํำราญหรือฟุ่มเฟือยใดทั้งสิ้นจะเป็นการเตรียมตัวเผชิญกับอนาคตอันญากลาบากขี่สุดทุกอย่างถูกย่อส่วนและเลือกสรรชนิดประหยัดน้ําหนักทั้งสิ้นผมก็นึกไปไม่ถึงแต่แรกเหมือนกันว่าพวกนี้จะเป็นทีเดียวแหละ ความจริงผมก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งอะไรกับสัมภาระข้าวของของพวกเขาหรอกครับและอยากจะให้พวกเขามีความสุขความสะดวกสบายบ้างตามสมควรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของซึ่งจะเป็นภาระของคนแบกหาม สัพพินพูดอย่างใจจริงขณะที่มองไปยังสเตอรี่และคิดซึ่งช่วยกันควบคุมการลำเรียงของอยู่ท้ายรถนอกจากลูกหาผ้าคู่สิบคนแล้วผมยังมีพรานของผมอีกสี่คนที่พอจะช่วยแบกบช่วยสะพายได้อีกแต่สี่คนนี้จะต้องไม่รับน้ำหนักมากเกินไปนักเพราะพวกเขาจะต้องทำหน้าที่เป็นพรานคุมกันด้วยอ่าได้ยินว่ามีเครื่องรับส่งวัตุมาด้วยหรอครับ ใช่หนึ่งเครื่องสำหรับติดต่อกับศูนย์บังคับการพร้อมอะไรทุกชิ้นมันเป็นเครื่องไม่ใหญ่โตนักเล็กนิดเดียวเสียด้วยซ้ำเป็นวิทยุพิเศษแบบจารกรรมโดยตรงผมไม่ทราบสมรรถภาพของมันแต่แน่ใจว่ารัศมีไกลมากนอกจากนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นวิทยุเล็กๆแบบ w a ลก i e t a l ก i e แต่ย่อส่วนลงไปอีกติดสำรองมาสามเครื่องสำหรับถ้าจำเป็นจะต้องแยกทางกันห่างออกไปก็จะแจกไว้เพื่อให้ติดต่อกันได้ผมก็พอจะทราบแค่นี้แหละนอกนั้นเป็นอุปกรณ์ทางเทคนิคโดยตรงซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างและใช้การได้อย่างไรจอมพันหลีตาลงแถวเสียงลงไปกระสิบคุณเชิดพุทธแน่ใจหรือครับว่าวิทยุที่พวกนี้นำมาด้วยจะใช้ติดต่อ กับศูย์บังคับการได้ตลอดเวลานายพานหนุ่มมองหน้าเขาผมก็ไม่ทราบเหมืนกันแต่เครื่องมือเครื่องใช้ที่พวกนี้นํามาใช้ในงานนี้นะ่ะก็ต้องแปลว่าสุดยอดของเขาแล้วอุปกรณ์ทางทยาศาสตร์ก้าวหน้าขีดสุดขนาดดวงจันทร์เขาก็เคยไปเหยียบมาแล้วเรื่องแค่นี้มันขี้กระติว๋วไม่ใช่หรือกระพียนยิ้มนิดๆคราบมันอาจจะเป็นเรื่องขี้กระติว๋วสําหรับความนึกคิดของพวกเขาแต่เขาจะรู้เองว่าพื้นที่พบโลกที่เรียกกันว่าโพนิคเอิร์ท ซึ่งพวกเขาอาศัยและคิดว่าสามารถจะครอบครองมันไว้ในอุ้มเท้าแล้วนี่แหละมันยังมีสิ่งลี้ลับอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะที่พวกเขาค้นคว้ากันไปยังไม่ถึงและไม่คาดหวังว่าจะเป็นไปได้ด้วยคุณเชิดบุ๊ก็เคยทราบมาบ้างแล้วไม่ใช่หรอครับว่าบนพื้นโลกของเราบางส่วนนี่นะ่ละเรือดำน้าปรมาณูหรือเครื่องบินของเขาหลายต่อหลายลําแล้วสูญหายไปเสียเฉยๆโดยตามร่องรอยอะไรไม่พบเลยว่ามันหายไปได้อย่างไรแล้วพวกเขาก็ยังงงงันกันอยู่ คนคว้าหาสาเหตุตำแหน่งแห่งที่ไม่ได้กลายเป็นความรี้ลับอยู่ทุกวันนี้เขตที่เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขีดสุดของพวกเขาหายสาบสูญไปอย่างปราศจากร่องลอยนั้นเป็นมันเป็นเขตปลอดเป็นแดนสนธยาที่วิทยาศาสตร์ของพวกเขาเอื้อมไปไม่ถึงอุมผะหัดของพระผู้เป็นเจ้าหรือจะพูดให้ตรงก็คือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่มีอิทพลอยู่เหนือวิทยาศาสตร์แม้จะไม่เสมอไปนักแต่ก็บางโอกาส เชิดรุ่ดยังโคงจ้องหน้ากขาอยู่เช่นนั้นอึ้งไปครู่หนึ่งคุณพูดหน้าคิดนรพิน์และสิ่งที่คุณยกตัวอย่างมาเกี่ยวกับดวงดำน้าปรมานูที่ดำแล้วหายไปอย่างลึกลับค้นหาไม่พบไม่ได้ล่องรอยอะไรเลยนั้นมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นชัดอยู่เหมือนกันคุณคิดว่า b ห้าสองลำนั้นและนิวเคลียร์สิบเมนตันลูกนั้นของเราที่เราพยายามจะติดตามหาอาจจะหลงหายเข้าไปในเขตปลอดหรือเขตแดนสุธยายอย่างที่คุณว่าหรือ ครานใหญ่สัตว์ที่สระช้าๆผมก็ยังไม่แน่ใจหรือกล้าพูดอะไรนั่หรอกครับนี่เราพูดกันเองระหว่างเราสองคนก็แล้วกันคุณลองคิดดูเครื่องบินตกระเบิดหายถ้าดจากอเมริกันนะหรือจะค้นหาตำแหน่งตกที่แน่นอนของมันไม่ได้จนถึงกับยองลงทุนออกเดินป่าด้วยเท้าที่มาว่าจ้างครานอย่างผมให้นําทางมันจะต้องมีอะไรรีรับเหนือวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าของพวกเขาซ่อนเล้นอยู่แน่ๆไม่อย่างนั้นทําไมพวกนี้ถึงจะตรวจหาทางอากาศไม่พบ ต้องลงทุนเดินตรงตามค้นหากันแบบนี้มีฝ่ายหนึ่งกำหมดทิ้งคิดแล้วเดมสติปากพยักหน้าช้าๆอืมจริงสินะทําไมพวกนี้ถึงค้นคว้าทางอากาศไม่พบทั้งทั้งที่เครื่องมือเครื่องไม้พร้อมออทุกอย่างแต่นี่เขาก็สูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพวกเขาได้พยายามกันทุกวิถีทางเพื่อค้นหาทางอากาศไม่ได้ก็บุก ป, ปันตัวทางภ้า พ, พื้นดินโดยมาโดยมาติดต่อกับคุณในฐานะที่มีชื่อเสียงระเบือกล้องไปทั่วโลกก็ว่าได้ เป็นเจ้าแห่งอานาจักพายที่เต็มไปด้วยความลี้ลับมหัศจรรย์ US Air Force ทั้งหมดบทดปัญญาที่จะหาตำแหน่งตกของเครื่องบินลํานั้นได้แล้วเขาก็อาจจะคิดว่ามันไม่แน่หรอกเหมือนกันถ้าพลานชื่อระพินไพรวันนําด้านต้นค้นหาทางภาพพืนดินก็อาจจะพบเป็นได้ผมแน่ใจว่าพวกเขาคงจะเฉลี่ยคิดถึงเรื่อง อ, อาถรรพ์ลี้รับนี้เหมือนกันถึงได้บุกวันมาพบคุณเพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์แก้เค็ดพวกนี้โง่เสิมเมื่อไหร่ คุณไม่คิดในข้อนี้บ้างหรือคําพูดของเชิดวุร์ดทำอรพินอึ้งไปบ้างสองชายคุยกันอยู่ในลักษณะซุบซิบอย่างซึ่งถึงพื้นฐานจิตใจระดับระดับความนึกคิดของกันและกันได้อย่างรวดเร็วเป็นความรับไปครับถ้าผมจะถามคุณเชิดวุร์เป็นการส่วนตัวว่าศูนย์บังคับการหรือศูนย์บัญชาการค้นหาของพวกนี้นะ่ะใช้วิทยุติด ต, ต่ออยู่ที่ไหนนายทหารหนุ่มจับมือจอมพาราหมณ์บีบแน่นกระซิบผมไม่มีความรับอะไรสําหรับคุณอรพิน ถึงอย่างไรเราก็ร่วมเป็นร่วมตายกันแล้วและคุณก็เป็นคนที่มีการศึกษาดีคนหนึ่งอาจจะดีกว่าผมเสียอีกในอีกหลายๆด้านผมเองก็ไม่ทราบแน่เหมือนกันว่าส่วนบังคับการที่พวกนี้จะใช้วิธีติดต่ออยู่ที่ไหนแน่อาจจะสถานีเลดาแห่งใดแห่งหนึ่งที่พวกเขาก็มาตั้งป่าเกลื่อนอยู่ในบ้านเราทุกวันนี้อาจจะเป็นสถานทูตชาติของเขาซึ่งอยู่ในกรุงเทพหรืออาจจะเป็นวอชิงตันโดยตรงก็ได้แต่เท่าที่ผมพอจะรับแค่รักใคามาบ้างนั้นเชื่อมวุแผ่วเสียงลงไปอีกจำเบอรไปรอบๆตัวอย่างไม่ไว้วางใจ พอเห็นอเมริกันทั้งสีคนยืนอยู่ห่างออกไปและกำลังยืนสนทนากันอยู่กับท่านนายพลผู้เป็นบิดาและนายอําพลก็กระซิบต่อมาว่านับตั้งแต่พวกนี้ออดเดินทางมาขอบคุณที่นี่จะมีเครื่องบินจรกรกรรมแบบทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศ มีเพดานบินสูงเริบชนิดที่เลดา้าจับไม่ได้และเริ่มทําการบินวนเวียนอยู่เหนือเอเชียแถบนี้ทั้งหมดพร้อมกับพวกเขาเคลียกหน้าขึ้นไป็นท้องฟ้าขณะนี้มันอาจจะกําลังบินอยู่บนหัวเราก็ได้วิทยุที่พวกนี้จะติดต่อจะส่งตรงขึ้นไปยังเครื่องบินจรากรรมที่ผัดเปลี่ยนกันบินล่อนอยู่ยังเพดานสูงสุดนั่นเป็นจุดแรกเพื่อรายงานผลและเครื่องบินจราก ร, รมอันมีลักษณะเป็นเครื่องบินปีศาจ ล, ลาเล็กนั้นก็จะเป็นสถานี รอยถ่ายทอดเสียงรายงานหรือรับคำสั่งจากศูนย์บังคับการเพื่อติดต่อสั่งการลงไปยังภาพพื้นดินอีกทีหนึ่งซึ่งมันสามารถจะส่งต่อถึงวชัชพันธ์ทิเดียวจากการถ่ายทอดแบบนี้ประพินตะลึงอุทานแผวโอ้โหแบบนี้เลยหรือครับบอกแล้วว่าเท่าที่ผมรู้มาคุณเฉยเฉยเสีนะไม่ต้องไปถามพวกเขาดูแสดงว่ารู้อะไรทั้งสิ้นมันเป็นความรับ ขีดสุดของพวกเขาผมถึงได้บอกแล้วว่าทุกย่างก้าวที่คุณจะนำพวกนี้ไปทางศูนย์บังคับการจะต้องรู้การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาดับเท่าทิวทยุอย่างติดต่อได้ขอให้คุณสังเกตดูให้ดีเถอะภายในคืนนี้แหละจะต้องมีการรายงานวิทยุเป็นครั้งแรกภายในบ้านพักของคุณก่อนออกเดินทางและจะรายงานหรือติดต่อกันไปทุกๆระยะเดียวเจ้าคิดนั่นนอกจากจะเป็นผู้ชนะในการบินแล้วยังทําหน้าที่ครั้งนี้ ฐานะพนักงานวิทยุแต่ผมว่าเราคงจะฟังเขาไม่รู้เรื่องหรอกนะการติดต่อทุกชนิดคงจะพูดเปนราหาัสทั้งหมดและผมเชื่อว่าทั้งสคนถ้าจําเป็นก็สามารถใช้ราหัสติดต่อกับศูนย์บังคับการได้ทั้งสิ้นไม่ผูกขาดว่าจะต้องเป็นคิดคนเดียวหรอกสี่คนพวกนี้แมนจะมีแน่าฉากเป็นผู้เชี่ยวชาญแยกไปคนละขแขนงเช่นไรบ้างก็ตามแต่เชื่อเถอะว่ารวมแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดและนักจารกรรมประเภทหัวกะทิทั้งสิ้น ถึงแม้สองสาวนั่นก็เถอะอยาชะล่าใจประมาทเป็นอันขาดทีเดียวไม่แน่จริงรัฐบาลของเขาคงจะไม่คัดตัวส่งมาในงานนี้โดยเฉพาะหรอกและที่ผมยังไม่แน่ใจอยู่ในขณะนี้ก็คืออาจจะมีสื่ออะไรสักอย่างแฝงซ่อนอยู่ในตัวพวกเขาหรือไม่โดยการติดตัวอยู่ในลักษณะวัตถเุเล็กและสื่อชนิดนี้แหละที่เรดาร์จากเครื่องบินจารกรรมอันควบคุมอยู่ทางเหนืออากาศสามารถจะบอกได้ว่าคนทั้งสี่กาลังเคลื่อนไหวอยู่ในแถบใดบ้าง โดยอาจจะปรากฏเป็นจุดอยู่ในจอเราดาร์เครื่องบินซึ่งเหินบินว่นเวียนอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกว่าพวกนี้จะไม่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยที่สุดเท่าที่มีอยู่และจะไม่ยอมให้เรารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้เลยว่าอะไรใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างจอมพานยักไหลนิดหน่อยกาไม่จาเป็นที่เราจะต้องรู้ไม่ใช่หรอครับหน้าที่ของผมก็คือการนาทางหน้าที่ของคุณก็คือการติดตามมาด้วยในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทย ส่วนหน้าที่ของพวกเขาก็คือการกู้ระเบิดผมภาวนาให้อุปกรณ์ทางเทคนิคของพวกเขาจงทํางานอย่างได้ผลเถิดเพราะฝ่ายเราก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เขาค้นพบและกู้คืนไปได้เหมือนกันขอบคุณครับที่กรุณาบอกอะไรผมทราบไว้ไวบ้างผมคิดไปไม่ถูงจริงๆเพราะถึงแม้นผมจะมีพื้นฐานการศึกษามาบ้างแต่ผมก็หมกตัวอยู่แต่ในป่าเสียนานจะเรียกว่าคนป่าโง่ๆคนหนึ่งก็ได้ไม่ทราบหรอกว่าโลกภายนอกเขารถหน้ากันไปไหนแล้ว และก็ น, นึกไปไม่ถึงมาก่อนเลยว่าชีวิตพลานพาอย่างผมจะต้องมามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสําคัญงเพียงนี้ทั้งสองหุดชะ ง, งักาการพูดลงเพียงแค่นั้นเมื่อเบลเดินลี่เข้ามาพร้อมกับยิ้มให้และส่งเสียงเจ้า่าเริงว่าสองคนนี้มายืนทอดรักอะไรกันไม่ทราบเชิญ ว, วุฒโหวเราะให้เราไม่ได้เป็นโฮโมหลอกเบลท่านใหญ่กำลองสงสัยว่าดัชนีนวนหีบผอสัมภาระของพวกคนที่ขนกันมามากมายเหล่านี้มีน้ําโพลาริสมาด้วยกี่ขวด แม่ผมแดง อ, อกประงานเงื้อราวกับท่านพระอุมาที่ระพินเคยปีนผ่านมาแล้วหันควมามมมองเขาและทำตาโตแม่มสาวผู้นี้ดีอยู่อย่างมีสีหน้ารื่นเริงแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาอย่า ก, กังวลไปเลยมิสเตอร์ฮันเตอร์เราเรียกเขาเช่นนี้มาสองครั้แล้วทำให้รพินอดที่จะคิดถึงมาเรนไม่ได้ เราจะดื่มแชมเปนในที่1ดื่มวายที่1นดื่มน้ำกลันในที่1นดื่มน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นดินอีกที่1และท้าที่สุดในการเดินทางครั้ง น, นี้แม้จะไม่พบแหล่งน้ำเลยเราก็มีสารเคมีที่จะบรรเทาความระหายน้ำได้รวมทั้งอาหารสำเร็จรูปเม็ดขนาดยาคุมกำเนิดเท่านั้นขอให้จำเป็นเสียก่อนเถอะ พิเศษจริงๆผมขอแสดงความยิน ด, ดีด้วยเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณคิดและเตรียมการได้ถูกต้องเช่นนั้นแตพินบอกแต่เชิดวุฒิถามหน้าตาตายว่าอ๋อแล้วยาคุมกําเนิดล่ะคุณเตรียมมากี่แผงเบลทําตาโตอีกครั้งแล้วหัวเราะเกี้ยวร้องลั่นออกมาว่าดิปิดกินทําไมให้เสียเวลาฉีดยาเข็มเดียวก็คุ้มกันกันไปได้หลายเดือนแล้วลักษณะของเชิดวุฒิสนิทสนมคุ้นเคยกับอเมริกันเหล่านี้เป็นอย่างดีสังเกตจากการพูดจา ก็ลืมไปอยู่แล้วว่าคุณเป็นหมอดีจะได้หายห่วงห่วงแมมผมซีรูเน็บล็อกเอตตะโลบนหัวเราออกมาอีกใครจะต้องเป็นห่วงและห่วงเรื่องอะไรกล้าลอกผมพูดอะไรส่งเดชไปอย่างนั้นเองแหละกเกดิบเบลขอไลายหัวเราะเอื้อมมือมาผลักผมเสิ้นบุดเบาเด็กน้อยเอ้ยเราหน้าอายุเท่าไหร่สาสิบแล้วหรือยังอายุกับน้าหนักผมไม่เคยเกี่ยงใครเลยนะ What do you mean? ชิญวุฒซ้อนยิ้มโบกมือทำเสียงหนักหนักในลาคอ o อ n โน o t h i n g แหม่สาผู้มีเสน่ห์ในความร่าเริงหันไปทางราพินผู้ยืนสงบอยู่บอกว่าเชิญวุฒเป็นเด็กสนที่น่ารักพอใช้เขาทําให้ฉันหัวเราะได้ตลอดเวลาบางทีก็อยากจะตกไม่เลวสิเดียวแหละที่รัฐบาลคุณเลือกให้เขามาเป็นตัวแทนบรรยากาศในการเดินทางจะได้คล า, ายความตึงเครียดลงได้มากที่มีเขาร่วมทางมาด้วย ตรงอิงข้ามันน่าจะตึงเครียดจนระเบิดตูมเลยก็ได้ถ้าบาังเอิญคิดเห็นผมจูบคุณเข้าเซิร์ฟรีบยื่นหน้าเข้ามากระซิบบอกโดยเร็วห ล, ล, อ, นลอนเอียงคอกขาพิตารณนิดหนึ่งแล้วว่าคุณเข้าใจยังไงเนึกว่าฉันเป็นอะไรกับคิดอย่างนั้นเหรอเราเป็นแต่เพียงเพื่อนร่วม ง, งานกันเท่านั้นนะจะบอกให้ก็ได้คิดแต่แต่งงานแล้วมีลูกสามคนคนตัวอายุ14ปีแล้วครอบครัวงเขาอยู่ไอเดโฮท่านรู้จักกภรรยาของเขาดี โอ้โอ oh ้ oh. ข่าวดีผมเริ่งรู้แต่หน้าเสีดายทีร่รยาของเขาไม่ได้มาด้วยเขาชอบพูดเล่นอะไรเหลวไหลอ ย, อย่างนี้เสมอเบลหันมาพูดกับพนานให่อีกครั้งว่าแต่คุณเทอร์รพินถ้าทางคุณเป็นคนเคร่งเครียดยิ้มย่างเหลือเกินถ้าคุณช่างพูดกว่านี้อีกสักนิดพวกเราจะรู้สึกเป็นสุขในการเดินทางครั้งนี้อีกมากความเคร่งเคร่งของผมหมายถึงการปฏิบัติงานหน้าที่อย่างจรงิงจังการยิ้มยากหมายถึงการจากเลดนายหรือ แอบแฝงอุบายกลบเกลือนส่วนการไม่ช่างพูดคุณก็ควรจะเบาใจได้ว่าผมจะไม่ถามอะไรในสิ่งที่คุณไม่อยากจะบอกให้ผมรู้ไายละคราวนหล่อดอุทานเป็นเสียงเบาวกับเชิดวดทําหน้ายุ่งไม่สบายใจชายคนนี้เป็นคนน่ากลัวรจริงๆต่อไปนี้ฉันเห็นจะไม่กล้าพูดอะไรกับเขาโดยไม่จําเป็นอีกแล้วทุกประโยคทุกถ้อยคำของเขาจะไม่เปิดโอกาสให้เราหลวมตัวเลยเพราะจะย้อนแอบเสียดแทงด้วยวาจานคมขึ้นมาทุกทีถ้าทางเขาไม่ชอบพวกเร า, เาจริงๆเสียเลย ผมขออภัยมิส์มูละพินยิ้มอ่อนโยนก้มศรีรษะให้ผมไม่ได้มีเจตนาอย่างที่คุณเข้าใจเลยต่อไปคุณจะทราบเองว่าผมเป็นมิตรกับทุกคนที่ปรารถนาในความเป็นมิตรกับผมและไม่เคยทรยศหักหลังใครทั้งสิ้นอาชีพและการทำงานอยู่กลางป่ากลางดงของผมบางทีมันก็ทำให้ผมต้องเกินกับสภาพสิ่งแวดล้อมไปโดยม่นสึกตัวเหมือนเหมือนกับพวกคนเถื่อนทั้งหลาย โปิดอย่ได้ถึกษาอะไรเลยในป่าลึกผมอาจจะทำให้พวกคุณมีอารมณ์ขุ่นเคืองได้มากสิบเดียวผมจะพยายามอ๋อนน่นน่ะเพื่อนของคุณพากันเดินมาที่นี่แล้วคณะคณะครตและคริสติน่าเดินร่วมกลุ่มกันเข้ามาที่สามคนยืนอยู่และแม่ผมทองลักษณะเหมือนภูเขาน้ำแข็งเอยขึ้นเสียงชายเย็นว่าสัมภาระทั้งหมดเราลำเลียงขึ้นไปบนที่พักของคุณหมดแล้วว่าแต่เจ้าของบ้านจะไม่เชือ้อเชิญเราขึ้นไปบนบ้า น, น, นสักหน่อยหรือ ท่านใหญ่คุ่มทิศาใหทุกคนอีกครั้งและเอ่ยเรียกเรียกว่าเชิญครับเชิญทุกท่านขึ้นไปบนนั้นเถอะอาจจะคับแคบลงลังอยู่สักหน่อยแต่ก็พอจะเป็นที่พักผ่อนแก่ทุกท่านได้สะดวกสบายพอสมควรผมอยากจะให้พวกท่านอาบน้ำพักผ่อนกันเสียก่อนตามสบายผมจัดห้องไว้ให้แล้วและเวลา8นก30นาทีเราจะร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันหลังจากนั้นก็จะหาเรื่อในรายละเอียดต่างๆและผมจะแนะนําให้รู้จักกับผู้ร่วมเดินทางของเราทุกคนด้วยปิด ต, ตามผมมา กลาวจบเขาก็ออกเดินนําหน้าไปก่อนและไปหยุดรออยู่ที่เชิงบันไดผายมือเชื้อเชื้อทุกคนทยอยกันขึ้นไปนายพลทําหน้าที่แทนเจ้าของบ้านเดินขึ้นนําขึ้นไปก่อนตามหลังด้วยท่านนายพลวิชัยถัดไปเป็นแมวสาวทั้งสองคนคิดและปิดล้างด้วยคณะหัวหน้าคณะด็ตอร์สเตอร์ลี่สําหรับเชิดเวิดยังยืนกาะบันไดอยู่ข้างๆรับผิดจ้องหน้าเขาด้วยสายตายิ้มยิ้มและเอียงหน้ากระมักระสิบเบลเป็นคนคี้เล่นและเปิดเผยแต่แม่คิดนั่นท่าทางจริงถึง เยือกเย็นอยู่ในผิวเปลือกนอกเป็นคนที่กินลึกน่ากลัวที่สุดน่ากลัวระพินแกล้งถางวางหน้าฉงน่ซื่อๆผมหมายถึงว่าภูเขาไฟที่มีหิมะปกคลุมนะครับผมว่าร้อนน่าจะดดเดือนยิ่งกว่าเบลเอีกในเรื่องอย่างว่าจอมพานเบริรตายิ้มนิดๆตอนยิม้มถ้าไม่คุณเชิดบก็ควรจะระวังตัวไว้บ้างนายทหารหนุ่มหัวเราะผมนะไม่เป็นไรหรอกครับถ้าแม่ภูเขาไฟนั่นจะละลายหิมะ ท่านถาเราว่ามาทางผมเมื่อไหรแล้วก็สบายมากแต่ผมเป็นห่วงคุณเสียมากกว่าคุณอาจจะไม่รู้ตัวผมเห็นคริสแอบไปเจรณาคุณอยู่ตลอดเวลาขณะที่คุณรู้ตัวนับตั้งแต่วันแรกแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกพิเศษอะไรไม่ใช่หรือครับในเมื่อผมเป็นพรา น, นําทางที่ทางฝ่ายเขาตกลงใจว่าจ้างเขาก็ต้องพิจารณาผมเมืทีทั่วรับครอบหน่อยตามหลักความไม่ประมาทเชิดปุ้ตตบไหลเข้าอย่างถือสนิทยานคาง มันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะซี่คนละพินไอ้ผมนะ่ะไม่ห่วงอะไรหรอกกลักวคุณจะยุ่งยากลำบากใจนอกเหนือไปจากการเป็นรัฐประเทศเท่านั้นบนเรือนนายอําพลช่วยแบ่งเบาภาระสำหรับระพินลงได้เป็นอย่างมากในการให้การต้อนรับคณะนายจ้กอเมริกันและท่านในลพลพราจัดห้องสำรองห้องใหญ่ซึ่งเคยใช้รับรองคณะของคุณเชษฐาไว้ให้แก่คนชุดนั้นเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ชี้บอและนะนํา อะไรเล็กๆน้อยๆคณะในาจ้างชุดใหม่และท่านในาพลกับบุตรชายก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และคุ้นเคยกับสถานที่อย่างรวดเร็วติดคาบเล็กน้อยเสร็จด้วยซ้ำที่อเมริกันทั้งจุดนั้นคล่องแคล่วและง่ายต่อทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีอะไรจะต้องหนักใจไม่มีใครแสดงถึงความสำเรวยเป็นอยู่ยากหรือว่ามีพิธีในตรองอะไรทั้งสิ้นมันพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าคนชุดนี้ได้รับการฝึกเติมเป็นอย่างดีแล้วตอบภาวะอันยากเย็นแลนเค้นทุกชนิด ดีไม่ดีอาจจะเคยผ่านการรบในป่ามาแล้วด้วยซ้ำพอเหินไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก่อนเวลาอันจำเป็นเขาปล่อยคนเหล่านั้นพักผ่อนและจัดเตรียมเข้าของกระตาน้ำพังโดยมีแน้ำฝนเป็นตัวแทนทางฝ่ายเขาคอยอำนวยความสะดวกอยู่ตนเองไปนั่งสาั่งงานควบผู้หญิงอันเป็นลูกบ้านประมาณห้าหกคนที่เกณฑ์มาช่วยจัดหาอาหารในค่ำวันนั้นซึ่ง สำหรับมือแรกที่หนองน้ําแห้งอันเปิดเสมือนบ้านของเขาเองนี้ก็เจตนาที่จะรับรองกันให้เต็มที่มันก็แค่มื้อเดียวเท่านั้นก่อนหน้าจะออกเดินทางไปกินข้าวลิงในกันในป่าถ้าจะเป็นก่อนหกโมงยันเล็กน้อยเขาเห็นเคลสกับเบลเดินเข้าห้องน้ําไปได้วยการข้างใจ ก, ก็กลับออกมาส่วนผู้ชายทุกคนไม่มีใครสนใจที่จะอาบน้ําก่อนอาหารจะถูกลําเลียงขึ้นตั้งโต๊ะนั่งบนให้เด็กมาตามเข้าไปพบในห้องพักของคณะนายจ้าง เมื่อก้าวเข้าไปคอมเมดทุกคนนั่งเกลียดการกันอยู่บนกองสมพระหีพอโดยเฉพาะคริสกับเบลผัดเปลี่เครื่อแต่งกายเรียบร้อยแล้วกําลังขนของส่วนตัวภายในถุงทะเลของแต่ละคนคริสจัดการอยู่กับเครื่องรับส่งวิทยุซึ่งมีขนาดใหญ่ไม่เกินเครื่องพิมพ์ดีิแบบตั้งโต๊ะซึ่งบัดนี้สภาวากาศของมันกลางเป็นเส้นสามเส้นแฉกมีส่วนยาเพียงเส้นละไม่เกินหนต่อเสียงเครื่องรบกวนอยู่โครงครางดูเหมือนคริสกําลังทดลองเสียงอยู่ และปิดเครื่องนั้นลงทันทีเมื่อพาันใหญ่ก้าวเข้ามาเชิดวุดไม่ได้ยุ่งกับใครแต่ทดลองประทับปืนไรเฟิลซากโกจุดสามจุดห้าแม็กสองดูศูนย์กล้องออกไปทางหน้าต่างนามพลกับท่านเจ้ากรมข่าวนั้นนั่งสนทนากันอยู่ที่เก้าอี้หวายชุดเล็กในห้อง เชอรี่ยิ้มกว้างขวางให้เขาส่งกระดาษขนาดโปรสเก็ตมีตัวพิมพ์ดีภาษาอังกฤษให้นี่เป็นรายงานบัญชีสัมภาระทั้งหมดที่เราจะนําติดตัวไปด้วยคุณตรวจดูได้เลยและเราพร้อมที่จะฟังคําแนะนําจากคุณในกรณีที่ถ้าหากคุณเห็นว่าไม่จําเป็นและต้องการจะตัดออกท่านใหญ่และบัญชีนะั้นมาตรวจดูคร่าวๆอย่างไม่สนใจอะไรมากนักแล้วมองไปยังกองสัมภาระทั้งหมดด้วยสายตาผ่านๆช่างน้ําหนักแล้วหรื อ, อยังครับ ทั้งหมดรวมกันแล้วน้ำหนักสักเท่าไรก็ประมาณ650อยห้าพายจะเกินไปบ้างก็ไม่กี่่ายประพินคำนวณอย่างรวดเร็วแล้วก็ตีสัดลงเอาครับผมคิดว่าคงจะไม่มีอะไรจะต้องตัดออกไปหรอกสำหรับน้ำหนักของขนาดนี้ลูกผับของเรามีอยู่แล้ว5้าคู่คู่หนึ่งก็เฉลี่ยได้ประมาณ130ยสาม้อน ก็พอจะขอ่อผิวกันไปได้จุดสําคัญก็คือว่ากรุณาแบ่งเฉลี่ยน้ําหนักโดยแยกหีพอออกไปให้ได้น้าหนักประมาณร30ยสอลต่อหนึ่งหีพอด้วยเราก็ตั้งใจไว้เช่นนั้นแล้วเหมือนกันประเดี๋ยวเราจะจัดการแยกแพ็คของใหม่อีกครั้งหนึ่งมีอะไรที่คุณจะแนะนําเราได้ก็กรุณาบอกมาเลยของส่วนกลางหรือของที่ยังไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้อย่างฉุเฉินรีบด่วนเอาเข้าหีพอรวมกันไว้ก่อน แต่ทุกคนควรจะมีเครื่องหลังติดตัวสำหรับของจำเป็นที่ต้องใช้พวกคุณเตรียมเครื่องหลังเฉพาะตัวมาด้วยหรือเปล่าเซลลี่ทำหน้า ง, งงเล็กน้อยคริสผู้กำลัง้นของส่วนตัวของหลอนออกมาจากกองลอถามมาเบาวๆว่าทำไมพวกเราจะต้องมีเครื่องหลังด้วยในเมื่อเรามีลูกหาดอยู่แล้วและในบรรดาของที่เราจะแบ่งสันที่พอออกไปเหล่านี้ก็ไม่หนักหนาอะไรสำหรับ คนห้าคู่ของคุณกับพานพิเศษอีกสีคนที่จะช่วยกันแบกหามไปได้อย่างสบายบอกก่อรล่วงหน้าพวกเราจะถือแต่คืนเท่านั้นผมและคนของผมไม่ลังเกียจที่จะแบกขามสัมภาระของนายจ้าหงหรอกครับเขาหันไปตอบแม่ปุ่มเขาน้ำแข็งแต่ดวงตาสีฟ้าวาววับซ่อนเร้นความร้อนแรงไว้ภายใต้ประกายเคร่งเครียดคงแกเรียนเพลสเป็นคนสวยคมเลยมีปากบางเฉียบต่อกษณะเจ้าอารมณ์ขนาดนี้หล่อนสวมเสือ้อคลุมสั้นเมนือเขาเล็กน้อย คาดหงหลวงไว้ด้วยสายรัดเอวเขาหนึ่งยันเพื่อนอีกเขาหนึ่งตั้งชันรอยผ่าของเสื้อทาให้เห็นปรีขาอ่อนอวบผิวเป็นสีครีมสว่างล่งลึกเข้าไปจนกระทั่งเห็นแผ่นสีดำตากระผิวผ่านใหญ่เปลี่ยนสายตาไปยังหัวหน้าคณะตามเดิมแต่ที่ผมเตือนในข้อนี้ก็เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของพวกคุณเองทั้งหมด ยิงอยู่เราไปกันเป็นคณะแต่ในป่าอาจจะมีอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้พวกเราจําไปต้องแยกทางพัดท่าจากกันไปช่วขณะหนึ่งระหว่างที่พัดท่ากันออกไปนี้และถ้าหาพวกคุณไม่มีของจําเป็นติดตัวไว้บ้างก็จะเดือดร้อนผมรับรองว่าทางฝ่ายผมจะติดตามค้นหาตัวพวกคุณจนพบแต่ก็ยังไม่กล้ารับรองว่าจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ในการค้นหานั้นอาจจะชั่วโมงเดียวหรืออาจจะข้ามคืนข้ามวันก็ได้ ในภาวะที่บังเอิญเกิดความจําเป็นที่ต้องพัดพลาจากคณะออกไปนั้นคุณหรือคนใดคนหนึ่งที่หลงแยกไปจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้รอดก่อนนาพังปืนกับกระสุนสองอย่างมันไม่ช่วยอะไรได้หรอกครับเครื่องหนังติดตัวควรจะบรรจุของอย่างชิปเล็กๆน้อยๆน้ําหนักไม่มากนักเพื่อสําหรับเตรียมพร้อมในกรณีที่ผมกล่าวนี้จึงจําเป็นอย่างที่สุดมันก็ไม่มีน้ําหนักอะไรมากมายนักอืจริงของคุณคัวหคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์คลางออกมาเบาๆ เ, เ, เอามือเกาคลางเล่น เสียงนายอัมพลกล่าวเสริมมาว่าเชื่อเขาเถอะครับละพินมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาอย่างดีที่สุดข้อแนะนําของเขาเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติตามทั้งสิน้นเขารอบครอบและชํานาญในการเดินป่าเกินกว่าที่เราคิดเสอีกเบล์กล่าวเสียงสายอย่างเลื่อมใสแ ต, แต่เสียใจจริงจริงเราไม่มีเครื่องหลังมาด้วยเลยเพอเริ่มคิดในเรื่องนี้ไปเสียอย่างสนิทและไม่คิดด้วยว่าเราจะต้องแยกหรือมีการพลัดพรากกัน การไม่แยกหรือไม่พัดกันได้ย่อมเป็นการดีที่สุดครับแต่เราจะไปประมาณสถานการณ์ในแง่ดีไว้ก่อนนะไม่ได้บาที่ผมจะนําไปไม่ว่าทิศทางใดก็ตามมันอาจจะเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นได้เสมอในหลายๆกรณีซึ่งพวกคุณจะไม่ได้ตตเตรียมมาก็ไม่เป็นไรครับทางผมมีเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วอเมริกรันทั้ง4คนถอนต่ออกมาอย่างโล่งอกทิสฟุกขึ้นยืนดีมากขอบคุณพระเจ้าที่เราเลือกคนไม่ผิดแล้วในการเดินทางครั้งนี้ ควรจะขอบคุณคุณน้ำพลเสียมากกว่าในการที่เขาจัดหาพรานตำทาที่เยี่ยมยอดที่สุดให้เชิดรถบอกออกมาเปื่อยๆขณะที่ยังเล็งศูนย์กล้องออกไปทางหน้าต่างถ้างนั้นคุณจัดหาให้เราได้เลยสําหรับเครื่องหลังและบอกได้ว่ามีอะไรบ้างที่เราควรเจะใส่ไว้ในนั้นและพินจึงโงกหน้าออกไปนอกห้องตะโกนสั่งความอะไรกับหนึ่งในจํานวนพรานคู่ใจสี่คนของเขาที่บังเอิญเดินผ่านอยู่นอกชาน อดใจเดียวเกิดก็โผลเข้ามาพร้อมกับเครื่องหลังแบบสนามทำด้วยผ้าใบสีมอมอห้าใบค่อนข้างเก่าแต่สภาพยังเหนียวแน่นแข็งแรงเขารับมาส่งมอบให้แก่หัวหน้าคณะพิจารณาเอาเองก็แล้วกันครับว่าพวกคุณมีความจำเป็นจะต้องใช้อะไรบ้างในกรณีที่เกิดหลงทางกับคณะกล้องสองทางไกลเข็มทิศยารักษาโรคชุดเล็กๆอาหารประเภทเลเชนหรืออาหารสาเร็จรูปที่จะประ ท, งทังชีพอยู่สักสองสามวันปืนสั้น ถ้าคุณมีติดตัวมาด้วยและลูกตืนถ้าหากบรรจุลงไปในเครื่องหลังจะสะดวกกว่าติดไว้ที่เข็มขัดผ้าพลาสติกเชือกใครคิดว่าอะไรจาเป็นสำหรับตัวเองก็บรรจุลงไปแบ่งจากสัมภาระกองกลางส่วนใหญ่อย่าออกไปอย่างละเล็กละน้อยเป็นความคิดที่ดีมากเบลว่าละพิ น, ศนศาศช้าช้าไม่ใช่ความคิดหรอกแต่ความที่เคยพบเคยเผชิญมาแล้วปังหากอีกอย่างหนึ่งถ้าผมถ่ายไม่ผิดก็คือ พวกคุณคงจะมีเครื่องดืม่มประเภทมีแอลกอฮอล์ติดมาด้วยผมไม่ใช่นักดื่มและไม่จำเป็นนักเจลลี่บอกแต่คิดค่อนข้างจำเป็นคิดกับเบลดื่มบ้างเล็กน้อยก็แปลว่าต้องมีมาด้วยนิดหน่อยเท่านั้นเพื่อตอบแทนทุกคนมาละพินไม่หันไปมองอีกเพราะเพราะเขากลัวแม่ภูเขาน้ำแข็งจะโชว์ผิวใต้ล่มผ้าเห็นอีกไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม เอาละชนิดหน่อยหรือมากแค่ไหนก็ตามมันก็อยู่ในพิกัดน้ำหนักของทั้งหมดอยู่แล้วผมมีข้อแนะนําว่าให้ถ่ายจากขวดที่เป็นแก้วออกให้หมดและบรรจุลงในขวดที่เป็นพลาสติกแทนเพื่อกันแตกและประหยัดน้ําหนักถ้าไม่ได้เตรียมมาผมก็พร้อมที่จะจัดหาให้ขอให้คิดอีกนิดหนึงว่าบัลานดีดูเหมือนจะจําเป็นสําหรับพวกคุณมากกว่าอย่างอื่นทั้งสิ้นสําหรับชุดเดินทางผมหวังว่าคงจะไม่ต้องแนะนําอะไรอีกเชื่อว่าทุกท่านคงจะทราบแตอยู่แล้วภาพบาจเจ็บไปนั้นมีทั้งทุงง่งโล่ง ตลงทึบและต้องปีนเขากลางวันร้อนจัดกลางคืนหนาวจัดและเราจะต้องเดินกันอย่างหนักเพราะฉนั้นเราพอจะทราบล่วงหน้าและเตรียมมาให้เหมาะสมกับสภาพแล้วไม่ต้องห่วงว่าแต่ว่าัหวหน้าคณะนิ่งชะงักไปนิดหนึ่งก่อนจะกล่าวแถวต่ําคุณจะรับรองได้ไหมว่าพวกเราจะไม่เผชิญหน้ากับคนถืออาวุธจอกทลานยิ้มมุมปากก็ไม่แน่ครับเราอาจจ ะ, ะเผชิญหน้ากับคนที่ถืออาวุธก็ได้รับรองได้เฉพาะ อาวุธที่คนเหล่านั้นถืออย่างมากก็ไม่เกินแหลมเหลาวธนูหน้าไม้รูปดอกอับยาพิษและสิ่งมีคมแต่ไม่ใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดอย่างแน่นอนผมอยากทราบบ้างว่าพวกคุณใช้อาวุธอะไรติดตัวกันไปในครั้งนี้แทนคำตอบคืิสกมลงใบที่หอผ้าใบสีเขียวห่อหนึ่งกระชาก M16 หรือ AR.15 อันเป็นไเฟิลอตมติขนาด 5.56 มมสาหรับ หน่วยพลล่มใช้ขึ้นมาชูให้เขาดูเพลสบอกออกมาว่าทุกคนของฝ่ายเราจะใช้แอนนี่มันเบาดีมากทั้งปืนและกระสุนับพินหัวรอบเบาๆก็จิสสอีกครั้งก็ดีครับจะได้คล้องตัวขึ้นอีกแต่ขอทำความเข้าใจกันไว้กว่อนล่วงหน้าทาความเข้าใจยังไงเบลกับเพลสถามมาเกือบพร้อมกันโปรดใช้ปืนชนิดนั้นไว้ป้องกันตัวเองในยามขับขันที่สุดเท่านั้น และโปรดอย่าใช้ยิงสัตว์ใหญ่โดยไม่จําเป็นและถ้าคนใดคนหนึ่งเกิดหลงพัดไปขอให้ยิงเป็นสัญญาณขึ้นฟ้า3นับโดยเว้นระยะห่างกันเป็นช่วงประมาณ10วินาทีตอนหนึ่งนัดแล้วหยุดอยู่กับที่อย่าไปไหนซึ่งทางฝ่ายผมจะรู้ทันทีว่าพวกคุณคนใดคนหนึ่งหลงและยิงปืนตอบในสัญญาณเดียวกันนั้นพร้อมที่จะออกติดตามอเมริกันทั้ง4คนหันมามองหน้ากันแล้วเหลียวไปดูเขาเป็นตาเดียวคลื erm ่นขมวดคิ้วพร้อมกับหัวรา อ, ออกมาเสียงแ่งแ คุณคิดว่าค้ด ar จุดหนึ่ง้า survival rifle มีไว้สำหรับยิงเรียกเป็นสัญญาณหลงป่าเท่านั้นเองหรือผมได้ข่าวว่าคุณเป็นนายตำรวจตะเวนชายแดนมากว่าไม่ใช่หรือใช่ผมเคยเป็นทั้งทหารและตำรวจนั่นแหละแล้วคุณไม่รู้อนุภาพของมันหรอกหรือว่ามันรุนแรงขนาดไหนเพราะผมรู้มาบ้านนะครับว่ามันรุนแรงมากขนาดไหนสาหรับสัตว์สองเท้านนหนังบางประเภทคน แต่เกรงว่ามันจะเบาไปหน่อยสําหรับสัตว์สีเท้าหนังหนาน้ําหนักตัวตั้งแต่สองตันขึ้นไปและกระลุนนายาบอกผมด้วยว่าพวกคุณเป็นนักแม่นปืนทุกคนผมเชื่อครับว่าทุกคนคงจะเป็นนักใช้ปืนขั้นเอ็กซ์เปอร์ตกันทั้งนั้นขอความก ร, รุณาว่าถ้าพบสัตว์ใหญ่ไม่ว่าชนิดใดอย่าได้ไปทํำร้ายมันก่อนไปดังขาด ไม่เห็นแก่ผมก็นึกว่าเห็นแก่พระเจ้าก็แล้วกันถึงอย่างไรเราก็ไม่ได้คิดจะสู้รบตบมือกับใครทั้งสิ้นไม่ว่าคนหรือสัตว์เราต้องการเดินทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งแต่ไว้เท่านั้นคุณคิดว่าปืนของเราจะป้องกันตัวจากสัตว์ใหญ่ไม่ได้อย่างนั้นหรือเดลล้องถามออกมาถ้าจําเป็นมันจะชาร์จเอาก็ต้องยิงครับดีกว่าจะกอดปืนเอาไว้เฉยๆแม่ผมแดงหัวเราะชอบใจหันไปบอกพรกพวกว่า ชายคนนี้ไม่เลวทีเดียวแหละตลอดเวลานับตั้งแต่พบกันวันแรกแล้วเขาพูดอะไรให้เราต้องคิดหลายตลบอยู่เสมอสุภาพถ่อมแต่แฝงแววเย้ยหยันเสียดสีเน็บแนมอยู่ในทุกประโยคเรามีวิธีพูดให้เรารู้สึกตัวเองว่าโง่อ ย, อยู่ตลอดเวลานั่นคือลักษณะของคนฉระที่น่ากลัวทีเดียวแต่เราก็ต้องการคนฉรดมาร่วมทางานครั้งนี้ไม่ใช่หรือซพพูดโดยดังๆกับเพื่อนผมแดงของหลอน ตะพินหน้าแดงด้วยความไม่พอใจแต่ปรับสีหน้าลงสู่ปกติสภาพโดยเร็วพอเลาะผมต่างหากครับที่กำลังจะถูกพวกคุณสองคนเสียดสีเยอะเย้ยเอาซึ่งซึ่งหน้าแต่ไม่เป็นไรหรอกผมมีฐานะเป็นเพียงลูกจ้างถือพวกคุณทุกคนเสมือนเป็นนายเพราะฉะนั้นนายของผมจะพูดจะวิจารณ์ผมข้ามหัวไปมาอย่างไรบ้างผมก็ไม่ถือสาหรอกเพราะผมฟังภาษาเกิดไม่ออกฟังไม่ออกแล้วดันพูดตอบไม่ได้ยังไงคริสติน่าถามมาแววตามีรอยยิ้ม คุพูดอังกฤษผมพูดไทยมังเอิญมันมาสอดคล้องประสานข้อความกันได้มันก็เป็นเรื่องของการบังเอิญดวงเราจะต้องทํางานร่วมกันและอาจจะตายด้วยกันแม้จะพูดกันคนละภาษาพระเจ้า ก, ก็ช่วยบรรดาให้พูดสอดคล้องกันได้เอาละครับผมให้เวลาพวกคุณอีกสินาทีแล้วเราจะพบกันที่โต๊ะ อ, อาหารจอมพานยิ้มให้กับทุกคนแล้วหันกลับเดินออกจากห้องไปเชิดวุฒถือไรเฟิลเดินตามออกมาทันนอกชานเรียกเขาไว้เบาๆแตะพินหยุดนายทหารหนุ่มเข้ามาถึงตัวหัวเราะ มันเป็นบ้าเลยละพินคุณตอกกับแม่สองสาวนั่นอร่อยดีแท้ขนานั้นได้เลยว่าทั้งเบลและครสชอบคุณมากสีเดียวตอนที่คุณเดินออกมาสองคนนั่นวิภาพวิจยัยคุณกันใหญ่หัวเราะ ก, กันกขี้คักเล่นเอาเจ้าคริสหึกหักถ้าคริสจะหึกหักแล้วก็ผมคิดว่าเขาหึกหักกับคุณเชิดบุษเสียมากกว่าเพราะตอนที่อยู่ข้างล่างผมเห็นคุณเชิดบุษแอบนักหยอดไก่รูปเกล็ดแม่ผมแดงเข้าให้แล้วอีกทีหนึ่งทําเป็นเดินถอยหลังไปชนหน้าอกของแม่ผมทองเข้าให้จังเมื้อเริ่ม คกับเฟรย์มองเห็นทั้งสองคนนั่นแหละรครับไปหาคุณเห็นเหรอเชิดบุดร้องลั่นไม่ได้ตั้งใจหรอกครับแต่บังเอิญอาชีพอย่างผมต้องตาไวในสิ่งรอบตัวทุกอย่างถ้าตาไม่ดีเสียอย่างเดียวเสือขบหัวไม่งั้นก็ถูกช่างเหยียบนายทหารหนุ่มเผรากกากแนะนําอะไรใครต่อใครไปหมดแล้วไม่เห็นคุณแนะนําอะไรผมบ้างเลยนี่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วนะอ้าวถ้าจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ก็รับไว้สิ่งที่จะแนะนําก็คือ ขอสูนกล้องไล่เคลื่นกระบอกนี้ของคุณเสียสักรับมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกตลาทึบใช้สูญกล้องไม่ทันการสัตว์ร้ายที่จะพบมักจะพบในระยะประชันเกียตเลี้ยวทางด่านหรือรับจอมปลวกก็จะประจันหน้ากันเลยสูญเปิดจะสะดวกและได้ผลดีที่สุดปืนคุณก็ไม่หนักและไม่เกะ ก, กะด้วยปลาจบเขาก็ตกไหลเชิดพุดแล้วเดินผ่าไปทุกคนมาพบกันที่โตอาหารซึ่งพยายามที่จะจัดสรรให้ดีที่สุดเป็นพิเศษ เมื่อเวลาสิบแปดนาฬกาสิบห้านาทีครึ่งหนึ่งเป็นอาหารปลาแบบเพื่อนบ้านอย่างแท้ จ, จริงอีกครึ่งหนึ่งเป็นอาหารแบบชาวอเมริกันซึ่งาวใหญ่ลงสุดตรเตรียมไว้ล่วงหน้าโดยการร่วมมือจัดหาจากนายอัมพลสําหรับเครื่องดือไม่เป็นปัญหาอะไรมากนะักวัะพุดิบมีอยู่พร้อมแล้วแค่จะประเคนให้ทั้งหมดทั้งที่เขามีอยู่โดยคนออกมาตั้งเตรียมพร้อมสุดแต่ใครจะถนัดอย่างไรบนโต๊ะต่างหากแยกไปจากตัวอาหารตะเกียงแก๊ส แางเทียนสูงสว่างกลางบ้านราะเฉพาะตัหารใช้เทียนขนาดใหญ่จุดเปล่าอเมริกันทั้งสี่คนสองคู่แสดงความตื่นเต้นพอใจอย่างเปิดเผยต่อดินเนอร์อันมีบรรยากาศชนิดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมงของชายทั้งสองซึ่งบัด น, นี้เปลยมาเป็นเสื้อยืดและกางเกงแบบบางสีสดลพินโล่ออกเป็นอย่างมากที่ไม่เห็นแม่สองสาวดอกชุดราดตรีเข้าให้เมื่อหวนคิดเปรียบเทียบไปถึงคณะเดินทางของคุณเชษฐา ในคืนที่มาพักอยู่ยังเรือนหนังนั้นปลอดอ่อนโดนทา น, นวันลุกขึ้นเขาก็รู้สึกว่าพวกหลงพวกนี้ทำความสบายใจใขเขาได้มากกว่าเพราะแต่ละคนก็พอจะรับรู้เข้าใจสถานการณ์ที่จะเผชิญและอนาคตรวมทั้งเตรียมกายเตรียมใจไว้พร้อมแล้วผิดกับกลุ่มนายจ้างคณะกรรมาซึ่งใครก็ไม่สำคัญเท่ากับแม่ดอกฟ้าดาเร้นของเขารายนั้นแลกพบแรกวิา ส, ส, ส, สวาจะสวรรค์ทำความหนักอกหนักใจใเขายิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นจะถึงความสํารวย ถุงสักและตือตัวเห็นได้ชัดจนกระทั่งซึ่งเส้นทางของระยะเดินทางแล้วนั่นแหละเหตุการณ์จึงได้หล่อหลอมตั้งแต่ของหล่อนให้ปรือสนิทแนบแน่นเข้ามาเป็นหัวใจดวงเดียวของเขาชนิดถึงไหนถึงกันและตายไหนตายกันเขาคิดไปไม่ถึงเลยว่าอย่างราชินีปูนสาวสวยผิวบางผู้นั้นกระจายไปเป็นนักต่อสู้ที่กเก้กาที่สุดไปได้โในการเดินป่าในครั้งนั้นรับรองนายจ้างชุดหนึ่ง แต่มัวแต่หัวนำลึกไปถึงอดีตนายจอีกชุดหนึ่งจนกระทั่งผวังลืมตัวนั่งนิ่งไปมาสะดุ้งตื่นจากพลังความคิดต่อเมื่อได้ยินเสียงอุทานสายของแนุ่มสาวคนหนึ่งคนดใดโดยระหว่างสองคนวิเศษจากมิสเตอร์ฮันเตอร์สําหรับจินเนอร์ที่คุณจัดรับรองเราค่ํานี้แม้จะไม่มองหน้าโดยตรงเขาก็จําเสียงได้ว่าเป็นเบลขอบคุณผมพยายามต้อนรับนายจ้าของผมให้ดีที่สุดก่อนที่จะนำไปสู่ความยากกันดาที่สุดขอให้ทุกท่านทําตัวให้สบายในคืนนี้ คิดสนใจกับโต๊ะเหล้ามากที่สุดโัวร์ร่าชอบออกทักใจเมื่อเห็นเบอร์เบิลและแคนาเดียนวิสกี้ลุกขึ้นเดินไปมาระหว่างโต๊ะอาหารและโต๊ะเหล้าจัดการดินแจกจ่ายให้คุณโน้นทีคุนี้ทีและพักทายกับทุกคนรวมทั้งนักพินผู้เป็นเจ้าของบ้านด้วยทำหน้าที่ราวกับเป็นบาร์เซนเตอร์หรือเจ้าภาพเสียเองถ้าทางคุณไม่ใช่นักดื่มเลยเดี๋ยวทำไมถึงมีเหล้าแทบทุกชนิดในโลกนี้นายผมทรงลานบินถามบนยิ้มผมมักจะมีแขกพูดง่ายๆว่านายจ้างเป็นชาวยุโรป ชาวอเมริกันพักที่บ่อยๆก็เลยจาเป็นต้องเตรียมไว้รับรองแขกเหล่านั้นพวกนักเดินป่าล่าสัตรหรือนักสํารวจคุณมีอาชีพเป็นพันนำทางระดับสัตว์สงขายแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วสนาคณะผู้นั่งอยู่หัวโต๊ะตรงข้ามกับท่านนายพลซึ่งนั่งอยู่หัวโต๊ะด้านหนึ่งทางขึ้นอย่าง่วนถนงธนาเจดหรือ8ปีหลังจากออกจากราช ก, การมาแล้วแต่ก่อนหน้านั้นผมก็ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินป่าอยตลอดเวลาบรรพบุรุษของผมก็เป็นพานมาก่อน ไม่น่าเชื่อนะคนหนุ่มการศึกษาดีผ่านโลกจเจริญมาแล้วจะมาหมกตัวอยู่อย่างนี้ชายคนหนึ่งเปยเขาเหลือแบแวบก็เห็นเพลสกําลังประคองแก้วคันยั อ, อยููเนื้อจานอาหารหล่อนตาสีฟ้าก็เปิแสงเทียนเป็นประกายคนเรามีความพอแซที่จะเลือกการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันมิสกรูบินดูเหมือนฉันเคยขอร้องคุณตอนที่พบกันครั้งแรกแล้วว่ากรุณาัยอาเรียกฉั้นให้ดูเป็นทางการอย่างนั้นเลยกันติงอ้อเพอภยพัยเพส ความจิงผมก็ไม่ใช่บุคคลที่ผ่านความวเจริญอะไรมามากมายนักเฉพาะตอนเรียนหนังสือเท่านั้นที่ผมออกจากป่าไปสู่โลกภายนอกนอกเหนือจากการเรียนแล้วชีวิตส่วนใหญ่ของผมก็เป็นคนตรงผมอยู่ในป่ามากกว่าอยู่ในเมืองถ้าเอาชีวิตทั้งหมดมาแบบตอนดู ด, ดูไปแล้วเขาก็เหมือนพวกไวท์ฮันเตอร์ในสหภาพอเมริกาใต้หรือแถบคลองโคเวลเลียมที่ผมเคยพบมาแล้วเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนเอเชีย e เท่านั้นดเตอร์สเตเรนพูดข้ามตัวไปอย่างท่านในผล แต่ผมคิดว่าเขามือแนกกว่าไวเทนเตอร์ที่คุณเคยพบเล้วนั้นเสียอีกถ้าหากจะสอบประวัติการทํางานในป่าและการเผชิญหน้ากับสัตว์ดุร้ายอันตรายของเขาออสริกาที่ได้ชื่อว่าเป็นป่าดํำมืดที่สุดและดุร้ายที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ก็ถูกเท้าของคนเจริญบุกสำรวจทั่วไปถึงหมดแล้วป่าทุกเขตก็กลายเป็นป่าสมือนคุ้มครองในป่าในแถบเอเชียบางส่วนโดยเฉพาะเหนือขึ้นไปทง า, างต้นแม่น้ำสารวินยังเป็นความลี้ลับที่ไม่มีใครกล้าสํารวจถึง นอกจากเขาคนนี้เท่านั้นจัพินไม่ได้ชำนาญเฉพาะป่าและเส้นรมแดนไทยเท่านั้นแต่เขาปลูกหลงในเขตตรงทึกหลงสำรวจของถ้ำพระพมา่าในส่วนเหนือจนกระทั่งยันที่เบบก็เป็นพานข้ามประเทศเดียวชาวป่าชาวเขาเดืแถบดังกล่าวนี้รู้จักเขาดีทั้งนั้นท่านเจ้ากรมข่าวตอบมาด้วยเสียงราบเรียบปกติมอรรพินอย่างสัตยาและไว้วางใจเต็มที่ การสนทนาบนโต๊ะอาหารเป็นการพูดคุยกันอย่างปกติไม่มีอะไรเคลิ้เคลย์ทั้งสิ้นส่วนมากอเมริกันเหล่านั้นจะผัดกรารซักถามข้อตู้ชีวิตส่วนตัวในด้านอาชีพแคสทาร์ดแวดล้อมเล็ปากเขตยนเด็ดเท่านั้นเิสเริ่มพูดจะตลกพนองเมื่อหมุนมึนเข้าไปอริสเบตพูดนั่งอยู่ตรงข้ามกับรัฐินเอานั่งมาชนเขาบ่อยๆใต้โต๊ะเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุในขณะที่หัวเราะต่อรกระซิบกระเชิดวุฒิชอบเกี่ยวเอาซึ่งซึหน้าคริสติน่าตื่นจัดจน คนเชื่อนานๆจะป้อยคำถามต่อเสียงครั้งหนึ่งคุณสเตอรลี่ท่านในคลและน้ำน้ำคนคูกันอย่างผู้ใหญ่และพินนั้นพยายามจะพูดกับทุกคนเพื่อไม่ต้องการสร้างบรรยากาศเึงเครียดหรือไม่สบายใจใแก่คณะในจ้างเหบริกรัรเขาบุคคลที่เขาให้การสนใจและพูดด้วยมากที่สุดคือด็อกเตอร์สเตอร์ี Stanley, ่ผู้เป็นหัวหน้าคณะควารู้สึกนึกคิดท่าทางอุปนิสัยส่วนตัวของแต่ละคนเพราะพยายามจะเรียนรู้จากการร่วมโตสวรรนากันในคืนนั้น เมื่อเวล า, าหารผ่านไปต้นนั้นการเป็ น, นตที่จัดร่วมปรุกสาหารโดยจะต่อไปอาหารถุกเคลื่อนย้ายออกไปโดยมีแบรนดดีวาและกาแฟเข้ามาแทนที่ระยะ น, นี้เองสิ่งที่เชิดวุฒเคยกระซิบบอกเขาไว้่าเป็นความจริงเซสดขอตัวไปติดต่อกับเครื่องมือภายในห้องพักดรแซลลี่เริ่มเข้าหางาสนสำคัญโดยการกลางแทนที่ทางด้านผู้วิสาสากลและโคจุดแทนที่รายละเอียดทางตุกษาสการกบินขนาด2องพันิ้วออกไปบนโต๊ะเสักหน้าเรียกทานใหญ่ให้เขาไปดู และทุกคนรวมทั้งนายอําพลซึ่งไม่เกี่ยวกับกรณีโดยตรงก็เข้าไปมุงดููด้วยขณะนั้นหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดคาสิก้าเพียงแค่มองผ่ผานๆและพินก็มองเห็นว่ามันเป็นแผนที่ตัดครึ่งระหว่างประเทศไทยภาคเหนือและไปมีรายละเอียดอยู่ในพม่าติดต่อไปจนถึงอัสซัมและทิเบตสิ่งที่คุณควรจะทราบเป็นครั้งแรกก็คือบริเวณที่บีห้าสิบสองลำนั้นสูญหายการติดต่อออกไปฝ่ายของเราเชื่อมั่นว่าควรจะเป็นบริเวณนี้ หัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นขณะที่วงนิสซอเป็นรูปวงรีลงไปยังบริเวณแห่งหนึ่งระหว่างตอนกลายเหนือสุดของรัศฐานกินแดนลงมาถึงเพียงรายประพินภัยวันหลีตามมองอย่างพิจารณาในใจเขาคิดหนักไปอย่างหนึ่งแต่แฝงถามอย่างงโง่ว่าพวกคุณแน่ใจอย่างไรว่าเครื่องบินลานั้นจะตกในบริเวณที่พวกคุณวงเส้นไว้ดตตรสเตอร์ลี่เหลือบมองดูเขาอย่างประหลาดใจคุณผ่านวิชาการทหารไได้อย่างไรคำถามนั้น อ, อสติกรดูมิน แต่คนนั้นคุลไพรวันไม่สนใจยิ้มนิดหนึ่งนั่นสิผมก็แปลกใจเหมือนกันแต่ผมเรียนมาทางด้านทหารบกไม่เคยเรียนมาทางการบินเลยแทนที่แบบนี้ผมก็อ่านไม่ค่อยจะสัมผัสผมถนัดจากการอ่านลายแทงแต่มากกว่าลมะมั้งเทิดวดยิ้มยิงฟันเงียบเงียบเดรี่เป่าลมออกจากปากเกาไทายถอยเชสรับหน้าที่เจรจากับเขาด้วยเสียงเบาเรียบของหล่อนจากการติดต่อกับนักบินข้างล่าสุดและเมื่อนํา ม, มาเปรีเทียบกับเส้น รักเส้นลองมันพอจะทำให้เราสันนิษฐานได้ว่าเครื่องบินควรจะตกในบริเวณไหนเอาละคุณอย่าถามอะไรเลยถ้าหากว่าคุณทำเป็นไม่เข้าใจสรุปว่าเรารู้โดยสังเกตว่าเครื่องบินตกหรือว่าหายในบริเวณที่ด็เตอร์เซอรี่กิสเซนไว้นั่นแหละมันเป็นเขตที่คุณชำนาญไม่ใช่หรือขออนุ ญ, ญาตให้ผมถามอะไรได้บ้างไหมจอมพานจุบุรีอดความหนักดวงแต่คาพูดของเขาไม่จริงจังอะไรนัก คุณถามได้ทุกอย่างเพราะเราร่วมทางกันแล้วทางด้านเราก็จะตอบทุกอย่างที่เราตอบได้เครื่องบินลํานั้นบินจากไหนและจะบ่ายหน้าไปไหนถึงได้ตกเอาในเก็บนั้นเราตอบไม่ได้ในข้อนี้จะเป็นความลับในทางการทหารแต่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องรู้คุณตอบกล่าวในประโยคนั้นแต่อ่อนดูในประโยคในน้ำเสียงฉันจะตอบให้ก็ได้โดวสอนขึ้นบนหัวเราะเอาศองข้างสองวางยันกับโต๊ะจึงงกหน้าล้าเข้ามาก้อ น, นื้อทั้งสองจึงภาพลงกับพื้นโต๊ะเปียด ล้นขึ้นมาบนคอเสือ้อรูปตัววีมองดูแล้วเสียวไส้ยิ่งกว่าระเบิดเหมือนลูกปง่งสองลูกอัดเชิดปุดไมด่อยากจะดูแผนที่อย่างทุกคนแต่มองประิทฐานอกนั้นเขม่งพร้อมทั้งแอบกิด ส, สิข้างทานใหญ่แารพินไม่สนใจเคลื่อนขึ้นมาจากอูตเผามุ่งหน้าไปยังแผ่นดินใหญ่ตอนใต้เอราะคุณรู้ไว้ด้วยว่าระเบิดนิวเคลียร์สิบลูกถูกในขณะนี้เราอยู่กลางอากาศ อยู่เหนือทุกเขตแดนทั่วโลกพร้อมที่จะรับคําสั่งจากวอชิงตันว่ามันควรจะหย่อนลงณที่ใดได้ ท, ท, ท, ท, ทันทีถัดติงกันอยู่ตลอดที่ีชั่วโมงของแต่ละวันไปเวลาติดต่อกันมาสองปีแล้วอย่าพูดเล่นนาเดลประเดี๋ยวมิสเตอร์ฮันเตอร์เขาก็สาปแช่พวกเราไปลงในโล ก, สกลเสียอีกนั่นแหละเชิญบุ๊ดว่าเปิดหัวเราะอ้าวที่พูดจริงๆนะเขาอยากดูฉันก็บอกให้ยังไงละ่ะจะได้หมดข้อซักถามนอกเรื่องเสร็จทีหนึ่งหน้าที่ของมิสเตอร์ฮันเตอร์ก็คือพานำทางเราเท่านั้นแต่ทําไมเขาถึงมาถามเราว่า ในสิ่งที่น่าประเด็นแบบนี้ที่ผมถามก็มีเหตุผลของผมเหมือนกันเหตุผลอะไรถ้าคุณไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามกับเราที่พยายามจะทําจารกรรมพลสยอนมาโดเร็ ว, รวด้วยเสียงเบาชวชัดเจนของหล่อนผมน่ะไม่ได้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับใครทั้งสิน้นและไม่คิดที่ทำจารกรรมใดๆทั้งสิ้นแต่พวกคุณต่างหาที่กระจายงานจารกรรมและวางแผงทุกทางไปทั่วโลกแต่นั่นมันไม่ใช่เรื่องของผมหรอก <S <S เหตุผลของผ ม, ง <S <S ผมก็คือถ้ามันไม่ได้ตกอยู่ในเขตประเทศไทยและหางออกไปมาก มันก็ไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของผมคุณควรจะไปจ้างผ่านนำทางหรือยกขบวนค้นหาไปเริ่มต้นในตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดโดยเอาคนพื้นเมืองที่นั่นนำทางไปเช่นที่ดรอเตรลลี่กีดวงไว้มันกว้างขวางเหลือเกินมันอาจจะกินแดนไปจนถึงแคว้นอักษร์หรือทิเบตก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเดิมปากกันสามปีก็ไม่ถึงจุดหมายใจเยนเ็ยนๆพ่อหนุ่มหัหนคณะผู้อวุโสที่สุดตกไหลเขา โดยด้วยน้ำเสียงปลอบโยมเป็นกันเองผมไม่คิดว่าตำแหน่งตกของเครื่องบินลำนั้นจะห่างไกลแดนเขตไทยนักหรอกและเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเริ่มต้นจากหมู่บ้านของคุณนี่แหละเพราะป่ามันกินแดนติดต่อถึงกันโดยตลอดและเป็นบริเวณที่คุณปลูกปลงอยู่แล้วบอกแล้วยังไงว่ามันเป็นการนนมานเอาเท่านั้นผมอาจขีดเส้นวงไว้กว้างเกินไปหน่อยก็ได้ การติดต่อครั้งสุดท้ายของนักบินแจ้งให้ทราบถึงสัญญาณอันตรายหรือของความช่วยเหลือใดๆหรือเปล่าครับไม่มีวีแวอะไรเลยทั้งสิน้นเขารายงานถึงบริเวณที่เส้นทางบินผ่านแล้วอยู่ๆก็เงียบหายไปเฉยๆในอีกสิบนาทีก่อนที่จะมีการติดต่อแม่นครั้งใหม่เราพยายามจะเรียกแต่ก็ไม่มีสัญญาตอบรับใดๆทั้งสิน้นสูญหายอันตรธานไปอย่าง ร, รับที่สุด เครื่องบินและระเบิดของเราประสบอุบัติเหตุตกหลายครั้งแล้วแต่เราก็ค้นหาตำแหน่งและกู้ระเบิดคืนมาได้ทุกครั้งมาครั้งนี้แหละที่มันสูญหายไปอย่างลึกลับที่สุดการค้นหาทางอากาศเหนือบริเวณที่สงสัยว่าจะเป็นตำแหน่งตกปราจากผลโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะใช้เครื่องมือตรวจคน้นอันเป็นวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าของเราสักขนาดไหนเครื่องมือเหล่านั้นปฏิเสธในการรายงานผลอยู่ตลอดเวลา อาจจะบินออกนอกโลกนี้หลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งแล้วกระมังเชิดพุทธเบาๆอย่าตะลกหน้าเชิดพุทเรากำลังพูดกันถึงงานสําคัญเรารี่หันมาติงเบาๆพร้อมกับถอดเสื้อาออกจากปากเอาละมันจะตกลงบริเวณไหนก็ช่างมันเถอะผมรับแจ้งพวกคุณแล้วเป็นอันว่าผมพาพวกคุณไปตามที่ต้องการก็แล้วกันจากแผนที่ทางศาสตร์การบินที่คุณเอามาการให้ผมดูนี่ผมก็พอจะรู้ว่าเราควรจะโยนเข็มในมหาสมุทรไปไปทางด้านไหนจอมทานตัดดล พรุ่งนี้เช้าเราจะเริ่มต้นจากที่นี่สามโเ้าพวกคุณเตรียมตัวได้ผมจะรพยักคนของผมอีก14บสคนมาให้คุณรู้จักหน้าไว้เพณ น, นาคณะพยักหน้าชี้ไปที่แผนที่ดีมากอ่ะคุณเก็บไว้หนึ่งคปี้ทางฝ่ายผมและคุณเชิดรถมีกันไว้แล้วคนราชุดเหมือนกันทั้งหมดผมอยากจะนัดแนะทําความตกลงรายละเอียดต่างๆในการเดินทางให้เสร็จสิ้นเป็นที่เข้าใจกันเสียภายในคืนนี้เลยทานใหญ่เอื้อมือไปดึงแผนที่ซึ่งกลางอยู่บนโต๊ะเพื่อจะพับเก็บไว้แต่เขาดึงไม่ออก เนื่องจากปลายของมันส่วนหนึ่งหน้าอกของเบลทับอยู่และเมื่อเขาออกแรงดึงก็งดูเหมือนหล่อนจกแกร้งทับกดลงไปจนต้องหลบขึ้นมองหน้าเบ ล, ลตาให้นิดหนึ่งถามมารคนและเรื่องว่าในตาของคุณนะ่ะมันออกจะสีเหลืองอยู่นะมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า ก็มีเหมือนกันแหละโลกรัวกับมันสัมผัสลางสีจากผู้หญิงรัสเบดหอบปากทำตาโตจริ้งลูกเปล่าเพราไม่ตอบแต่กระตุกแผนที่นั้นไปได้พับเก็บใส่กระเป๋าเดินออกนอกฌานตะกนสั่งความกับคนของเขาครูใหญ่ต่อมาบนคำเกิดเสยจันอันเป็นพัานคู่ใจสี่คนและพวกลูกเ่าซึ่งแท้จริงแต่ละคนก็รวมเป็นพรานมือดีอีกสิบคนก็ทยอยเรียงแถวกันขึ้นมาบนบ้านทุกคนนั่งขัศมะร่วมกลุ่มกันอยู่กับพื้นนอกฌานนั้น อเมริกันทั้งหมดและเชิดตูดมองไปยังคนกลุ่มนั้นอย่างพิจารณาโดยเฉพาะฝ่ายอเมริกันสํารวจตัวอย่างพิเศษที่เพาะตีท่วนไปยังทีละคนและพินแนะนําให้รู้จักเป็นรายบุคคลเริ่มจับการคู่ใจทั้งสี่ของเขาก่อนโดยแนะนําตามลําดับอาวุโสแล้วต่อไปก็เป็นพวกลูกหาพึ่งส่วนมากเป็นพวกตัวผอมเก่งอายุอย่างมากที่สุดของกลุ่มลูกหาพึ่งไม่เกินห้าสิบปีตัวเล็กๆกันเกินไปลักษณะของแต่ละคนที่โราเท่านั้นจะไหวลื่ ในฐานะแพทย์ประจําคณะอลิสเบตบน่นคุทําออกมาแต่พินหัวเราคือคื อ, คอไม่ตอบแต่นายอําพลตอบแทนมาให้ว่าขอให้พวกคุณอย่าห่วงเลยคนพื้นเมืองพวกนี้แข็งแรงเยี่ยมยอดทั้งสิน้นโดยเฉพาะในการเดินป่ารับรองได้ว่าแม้พวกเขาจะมีภาระแบกหามกันทุกคนถ้าออกเดินทางกันจริงๆแล้วพวกคุณต่อให้เดินกันตัวเปล่าๆก็เดินตามพวกเขาไม่ทันหรอกทุกคนมีภูมิคุ้มกันโรคในตัวเองสูงทั้งนั้นไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกห่วงตัวพวกคุณเองจะดีกว่า ดเตร์สเตอลีกับคิสดูจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนักพยักหน้าง่ายผู้หญิงสองคนเท่านั้นเทอะทะย่อยหน่อยแล้วคิสก็ปุ้ยปากไปทางบนคำโดยขึ้นรอยรอยไปประสารเสดยิ้มยิ้มว่าท่นชอบริงแก่นั่นหน้าตาแกตลกดีและพินกับลิชิปากลั่นหัวเราะเชิดบุดไป่อยกากส่วนน้ำพลถ้าท่านเจ้ากรมขาวก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเบาๆบนคำเอามือลูบหัวสําน้าเลิกๆแล้วรอยถามจนนายว่าแหมคนนั้นว่าอะไรนายเปล่า เขไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่เขาชม บ, so, บุญคําว่ารูปหล่อเหมือนพระเอกหนังไทยและจะขอจองตัวไว้เป็นครานคุ้มกันประจําตัวบุญคําทําหน้าบุ้ยและหัวเราะผู้เร ed. ียนผู้เรียนนายเราโกหกไอ้คําซะแล้วให้มันจริงอย่างว่าเถอะหน้าบุญคํารับภาษาเป็นพรานประจําตัวอย่างเต็มใจเสีเดียวเพื่อฟังรู้ภาษาไทยดีอยู่แล้วหลอนฟังออกชัดเจนแม้ว่าเสียงบุญคำจเหนอแบบชาวสุพรรณไปบ้างก็ตามหลอนล้องถามเป็นภาษาไทยว่าจริงหรือพ่นหนุ่มน้อย เอาตกลงเธอเป็นพานประจําตัวชันชื่ออะไรนะคุณคําใช่ไหมสะพานเท่าจอมสับ ป, ปดนอ้าปากค้างตะลึงพึงเพิดพวกพานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายก็พลอยหน้าเริกลักไปด้วยกันหมดด้วยความปราดใจใต้ยหาแมมทั้งดุน้นไงพูดไทยได้อย่าเรียกว่าดุานสิดุ้นหนามันไอ้ไส่กรอกหรืออะไรที่ลักษณะคล้ายๆกันนั้นฉันเป็นคนนะจ๊ะเพิมีอารมณ์ขันอยู่บ้างเหมือนกันบรรยากาศขึ้นเคร่ใ น, ข, นขึ้นึในทันทีด้วยเสียงหัวเราะคืนกันไปทั้งบ้าน แม้กระทั่งระพินเองพูดซึ่งหัวเราะยากที่สุดเซนลี่ในฐานะหัวหน้าคณะลุกขึ้นยืนต่อหน้าพวกผ่านพื้นเมืองทุกคนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเป็นมิตรประกาศขึ้นเป็นปภาษาไทยแม้จะไม่ชัดนักอย่างเต็มไปด้วยจิตวิทยาว่าพวกคุณทั้งหลายเปิดฟังทางนี้ผมชื่อบ็อบเป็นหัวหน้าคณะพวกเราห้าคนเขาชี้เรียงตัวไปอย่างพวกพวกและรวมเอาเชิดวุฒไว้ ด, วด้วยอีกคนหนึ่งจะไปกับพวกคุณภายใ ต, ใต้การนำของหัวหน้าของคุณคือระพินไชัยวัน ต่อไป น, นี้เราจะร่วมชีวิตกันแล้วโปรดอย่าคิดว่าพวกผมเป็นฝรั่งเราจะร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันเหมือนพี่น้องและจะไม่ทอดทิ้งกันเลยตอลอดระยะทางที่ไม่รู้อนาคตนี้ขอโทษผมหมายถึงการเดินทางที่ยากลาบากและเสี่ยงอันตรายที่สุดขอให้พวกคุณทําหน้าที่ให้เต็มความสามารถแะดีที่สุดชีวิตของพวกผมห้าคนนี้ฝากไว้ในความซื่อสัตย์สุจริตของพวกคุณระหวังทางใครมีปัญหาเดินขัดข้องใจอย่างไรเชิญพูด ก, กับผมได้ถึงตัวทีเดียว อยาคิดว่าผมเป็นนายจ้างหรือคนต่างชาติดาทั้งสิ้นเ <c oughs> พราะผมที่เป็นฝรั่งทั้งสี่คนนี้พอจะพูดไทยกับพวกคุณได้ทั้งสิ้นและผมพอใจพวกคุณทุกคนยินดีที่มาร่วมเดินทางในครั้งนี้โดยไม่ได้นัดกันไว้พวกพานพืนเมืองทั้งสี่คนและพวกลูกหาโผลร้องลั่นตบมือตีปีนชอบ อ, อกชอบใจคุณคําชักคึกกระโดดกา้าขึ้นมายืนขยับท่าขมาแล้วร้องตอบลั่นออกไปว่าตกลงนายฝรั่งทั้งหลาย ท่านนายของพวกผมจะพินไพรวันไปถึงไหนพวกผมก็ไปที่นั่นไม่มีวันหันหลังกลับเจลลี่ยิ้มพลายสีหน้าเบิกบานหันมาร้องถามพานใหญ่ว่าเอ้าคุณราพินว่ายังไงคุณจะหันหลังกลับไหมถ้าพวกคุณเป็นนายจ้างไม่หันหลังกลับผมก็ไม่หันหลังกลับครับจอมพานประกาศทั้งหมดที่ร่วมชุมนุมกันอยู่ในบ้านตบมือกราดดรเตลลี่หันมาก้มศีรษะให้ราพินอย่างงามครังหนึ่งแล้วหันไปก้มศีรษะให้กับพวกพรานเพื่อนเมืองอีกครั้งหนึ่ง พอเงหน้าขึ้นอเมริกันผู้เคยผ่านหน่วยงานที Because ่คอสมาก่อนก็ตบมือช้าๆเป็นจังหวะร้องเพลงขึ้นเมืองไทยออกมาว่าสายันตะวันร้อนฉี่ผู้ใหญ่รีตีกองประชุมชาวบ้านตกลมาชุมนุมมาประชุมกันที่บ้านผู้ใหญ่รีเอาพวกเราร้องพร้อมๆกันด้วยละครมาสนุกกันสับคืนพร้อมกันก็ขยับเขยันโบกมือเป็นจังหวะให้พวกนั้นผวกผ่านพื้นเมืองทุกคนโหเฮกันลั่นแล้วพากันแหกปากร้องเพลงผู้ใหญ่รีและตบมือเป็นจังหวะขึ้นพร้อมๆกัน เป็นที่สนุกสนานบุญคากระโดดขึ้นลำปอ่เอเซรีเข้าร่วมวงด้วยเดินกระโดดออกไปลำเถือบลอยหน้าลอยตาเป็นคนที่สองเิสแกดดีกรยอยู่แล้วแล่นเข้าร่วมและดึงคริสติน่าออกไปลาวงกับพวกนั้นด้วยส่วนเชิดส่วนเชิดพุธเข็นโต๊ะเลออหเเเล้าออกไปให้ส่วนเชิดวุทธนั้นเข็นโตะเหล้าออกไปให้กลางนอกชานทันทีแต่พินไครวันยิ้มนิดหนึ่งเขาคิดไม่ถึงเลยว่าอเมริกันกลุ่มนี้ภายใต้การนําของดรเซรีหัวนาคณะจะมีจิตวิทยา ที่สามารถเข้ากับคนของเขาได้อย่างรวดเร็วลดีที่สุดพอสบตา ก, กับนายอัมพลที่นั่งหัวเราะท้องขับท้องแข็งอยู่กับท่านเมยพลก็รอบพยักหน้าและอยกแล้วเดินลงเรือนไปโดยไม่มีใครทันเห็นเพราะมัวสนุกสนานกันอยู่ผู้จัด ก, การบริษัทไทยไวไลไฟ์ค่อยๆเรียกตามขเขาลงมาในทันทีไม่ได้โอกาสผู้อำนวยการบริษัทส่สงสัตว์ออกนอกประเทศโดยอภิสิทธิ์มาพบจอมพลซึ่งทํางานร่วมกันมานานที่แคร์ใต้เรือนซึ่งปลูกข้าวมอยู่บนต้นไม้ อันขณะนี้กําลังร้องเพลงและรำวงกันอยู่เป็นที่สนุกสนานมีอะไรหรือจพินป่า ร, รักทับเพียงแต่ผมขอมอบหน้าที่ช่วยดูแลห้องนั้นให้แก่คุณน้าพลภายในคืนนี้ด้วยบ้านผมอาจจะคับแคบเป็นหน่อยสําหรับแขกชุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีท่านผู้ใหญ่ของเรามาอยู่ร่วมด้วยสําหรับห้องรับรองนั้นก็ขอให้ฝรั่งสีคนนอนร่วมกันอยู่ในห้องนั้นส่วนท่านนายพลกับคุณเชิดบุตรเชิญให้ใช้ห้องของผมส่วนคุณนําพลเองผมจัดเตรียมไว้ให้แล้วที่ห้อง โถงกลางอาจจะไม่สะดวกหน่อ ย, อยเรื่องเล็กคืนเดียวผมนอนที่ไหนก็ได้ว่าแต่คุณเถอะคืนนี้จะไปนอนที่ไหนไม่เป็นไรหรอกครับผมยกบ้านหลังนี้ทั้งหลังให้เป็นที่รับรองแขกตัวเองจะไปนอนกับพวกลูกน้องเข้าของอะไรต่อมีอะไรทางด้านผมก็จัดเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วสามารถออกเดินทางได้ในทันทีอ้อกระสุนปืนของผมเอามาด้วยหรือเปล่าเรียบร้อยไม่ต้องห่วงผมเผื่อแม่คุณสองร้อยลัดเลยกันและกันลืมผมฝากไว้ในข้าของส่วนตัวของคุณเชิญวุดแล้วคุณจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้ขอบคุณมากครับ เขาเหลือบตาขึ้นไปบนเดือนที่กำลงสนุกสนานกันอยู่อย่างเต็มที่ประเดี๋ยวคุณอัมพลช่วยเตือนพวกเขาด้วยนะครับตอนนี้ปล่อยให้สนุกสนานกันไปก่อนผมไม่อยากให้พวกเขานอนตื่นกันเกินไปนักพรุ่งนี้ต้องเดินหนักกันทีเดียวอย่างดุงที่สุดไม่ควรจะเกินสี่ทุ่มครึ่งและก่อนเข้านอนขอให้เขาจัดเตรียมเครื่องหลังส่วนตัวไว้พร้อมด้วยอย่าให้เตรียมเอาตอนเช้ามันจะเสียเวลาโอเคเดี๋ยวผมจะจัดการทุกอย่างที่คุณต้องการตามที่บอกไม่ต้องห่วงว่าแต่ ในํามพตจ้องหน้าในเงาสลัวคุณรู้สึกยังไงบ้างสําหรับอเมริกันชุดนี้ถ้าดไปถึงในอะไรหลายๆหอย่างล้วครับลงร้องเพลงผู้ใหญ่รีตีกรองประชุมแล้วก็ลรำวงกับพวกพานเพือนเมืองของผมได้แบบนี้มันก็บอกฐานะให้ชัดเลยว่าจร์ชนตัวเอทั้งนั้นแต่ก็เป็นความสบายใจของผมอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันที่พวกเขามีจิตวิญญาจะเข้ากับคนของผมได้สนิทแน่นแฟนดีที่สุดและถ้าหากมีความจำเป็นที่ต้องแยกพวกแยกฝ่ายออกไปหรือหลงพ่า ก, กันไปพวกเขาก็พอจะพูดกัน กับคนของผมได้รู้เรื่องทําให้หมดห่วงไปได้ผมเพิ่งแน่ใจเอาคืนนี้เองว่าทั้งสี่คนนี้รัฐบาลของเขาคัดตัวมาอย่างพิเศษจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าส่งคนให้มาทํางานแบบส่งเสร็จเอาละครับคุณนาพลขึ้นไปร่วมวงกับพวกเขาเถอะผมจะไปที่กระท่อมหลังนู้นหน่อยข้าวของต่างๆของพวกผมเตรียมอยู่ในนั้นจะตรวจดูความเรียบร้อยอีกสักครั้งหนึ่งพวกจะไม่ทันจะขาดคำรัฐพินขยับจะเดินผาาไปแต่ผู้จัดการบริษัทไทยไวไลฟ์ซอกแขนไว้เดียวรัฐพิน์ คุจะไม่กลับขึ้นไปบนเรือนั่นอีกหรือผมไม่จําเป็นอะไรแล้วล่ะครับไว้พวกเขาอยู่กันตามลำพางดีกว่าผมไม่อยากจะให้มีการพูดจาซักถามอะไรกันมากส่วนเรื่องที่คุณอัมพลห่วงว่าจะห่างเหินหรือไม่มีการเสวานากันเท่าที่ควรนั้นไม่ต้องห่วงในป่าเป็นไปได้อย่างใกล้ชิดที่สุดประเดี๋ยวช่วยไล่พวกทานเพื่อนเมืองนั่นให้กลับลงมาด้วยนะครับคนของผมก็จําเป็นจะต้องนอนหัวข้าเหมือนกันแนพวพลยังยึดแขนเขาไว้มั่นไม่ยอมปล่อย ผมคิดว่าก่อนจะแยกกันไปนอนในคืนนี้คุณควรจะกลับขึ้นไปพบพวกเขาอีกสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยดรสเตลลี่ก็คงอยากจะคุยอะไรกับคุณเป็นการส่วนตัวบ้างนิดหน่อยอยู่ไม่อยู่คุณก็เดินหายลงมาเฉยๆแบบนี้มันพิรุกหยุดอายังไม่ได้บอกลำลาเขาเลยจะเพียนของเราเบาๆขออภัยครับผมลืมไปจริงๆอยู่ป่าอยู่โดงเสียจนเป็นคนป่าเต็มตัวลืมวัฒนธรรมของคนจเจริญเสียหมดแล้วผมง่ายๆรบกวนอย่างนี้มันแต่ไนายตาลัยแล้วคุณอภินพลก็รู้ จริงสินะผมควรจะไปบอกพุทธนายกับพวกเขาเสียก่อนเดี๋ยวผมจะไปครับแต่นามพลยังไม่ยอมปล่อยมืออีกปึกอับยูครู่หนึ่งก็ถามแถวเบาว่าผมอยากจะคุยอะไรกับคุณมนการส่วนตัวตั้งแต่มาถึงที่นี่แล้วแต่หาโอกาสไม่ได้คุณเห็นแผนที่นั้นแล้วเป็นยังไงเพราะที่จะมีทางค้นหาได้ไหมสวรรค์หรือนรกเท่านั้นแหละครับที่จะบอกได้เสียงของทางใหญ่ต่ําลืกอย่างน้อยที่สุดคุณพอมองเห็นเส้นทางบ้างหรือเปล่าว่าจะต้องบ่ายหน้าไปทางทิศไหน ให้เห็นนะพอเห็นหรอกครับว่าจะต้องมุ่งหน้าไปด้านไหนแต่บริเวณมันกว้างขวางเหลือเกินาการเดินทางค้นหาตำแหน่งเครื่องบินตกครั้งนี้ลื่นลอยพรพองกับทั้งที่ผมเป็นตามคนชายนุชาเป็นการเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมหรือเสี่ยงดวงกันมากกว่าและกําหนดไม่ได้ด้วยว่าจะพบเมื่อไรจะกลับเมื่อไหรหรือเพราะฉะนั้นพอทั้งยี่สิบคนที่ไปด้วยกันชุดนี้อาจจะสูญหายไปสมบูรณ์แล้ว น, นะครับไม่มีใครโผล่กลับมาให้คุณอําพลเห็นอีกเลยนายอําพลสีหน้าไม่สบายใจนักแต่ความมืดอัมพรางไว้และพรานใหญ่ก็ไม่สนใจ ผมคิดในด้านดีไว้ก่อนพวกคุณทั้งหมดที่ไปด้วยกันคงจะไม่เสี่ยงเกินไปนักองนาอย่างน้อยฝ่ายเขาก็มีวิชุติดต่อกับศูนย์บ ง, งการได้ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าวิทยุมันยังอยู่ตลอดไปและใช้งานได้เสมอไปมันก็ดีหรอกครับผมกลัวว่ามันอาจจะพังเสียก่อนระหว่างทางโดยอุติเหตุอย่งางใดอย่างหนึ่งที่ยังทํานายไม่ได้โดยพิชนน์นวิทยุก็เกิดใช้ไม่ได้ผลขึ้นมาในบางโซนอันเป็นโซนลี้รับก็เมื่อนั้นแหละครับ ที่การค้นหาติดตามของผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือคอยควบคุมอยู่จะไร้ผลโดยสิ้นเชิงคิดดูให้ดีคุณอัมพล B ห้าสิบสองลำนั้นอุปกรณ์ทันสมัยพร้อมยังหายตอมไปเฉยเฉยได้ยี่สิบคนที่จะไปด้วยกันนี่ทําไมมันจ ะ, จะหายสาบสูญไปจากโลกนี้ไม่ได้ไอวิทยุรับส่งแรงสูงนั่นนะเลร์ผมไม่ได้สรัทธามันเลยบอกตรงๆเฮ้ยเวนกรรมจริงที่มาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นและมาพาดพิงถึงคุณบอกผมสักนิดเถอะพินคุณจะบายหน้าไปเริ่มต้นที่ไหนขอให้บอกจุดหน่อยได้ไหม โดยไม่เฉลียวคิดอะไรทั้งสิ้นจอมพลานบอกตามตรงว่าผมจะมุ่งไปที่ห้วยเสือร้องก่อนที่นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นก็จะมุ่งตะวันออกเฉียงเหนือใส่ขึ้นไปเรื่อยๆ น, น, น้ทำฝนพุมพันธุ์ทบถทวนอยู่ในใจแต่พินแย่ไปที่กระท่อมหลังใหญ่อําพลก็กลับขึ้นไปสมทบกับพวกบนเรือนประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาจอมพลันกลับย้อยขึ้นมาบนตัว อ, อีกครั้งหนึ่งเขาเห็นการร้องรำทาเพลงระหว่างอเมริกันทั้งสี่กับพานพันเ่อนเมืองเขายุติลงแล้ว พวกนั้นกําลังพากันเดินทยอยลงจากบ้านสวนทางกับเขาและพิทในพวกลูกหาดแยกย้ายกันไปพักนอนในคันธีและสั่งพัดขึ้นเมือง4ี่คนของเขาให้รอคอยที่กระท่อมใหญ่ซึ่งจะใช้นอนรวมกันภายในคืนนี้จนนอกทานปัตนี้ว่างเปล่าท่านในพลเข้าไปในห้องของเขาซึ่งจัดเป็นที่รับรองแล้วและดูเหมือนจะสนทนาอยู่กับนามพลส่อเมริกันทั้ง4ี่และเชิดบุตรรวมกันอยู่ในห้องใหญ่ต่างคนต่างจัดเตรียมสัมภาระชนมุลกันอยู่ในลักษณะต่างๆ เพื่อเครื่องรับส่งวิทยุเตซรี่ตัวแผนที่อยู่เพียงคนเดียวด้วยการเคร่งถึนเดวจากแบ่งสิ่งของจากหีบหอใหญ่ลงในเป้หลังประจําตัวและตรวจเครื่องเวชภัณฑ์ส่วนเชิดปืนกาลังช่วยเพรแยัดกระสุน 5.50 ม ม, ม, มหรือ .223 ที่ใช้กับ AR15 ลงแมกกาซีนไหลอันเดินดำอันดับเป็นตับผ่านใหญ่ข้อที่ผนังห้องเบาๆพร้อมกับโผล่หน้าเข้าไปทุกคนเงยหน้าขึ้นเขายิ้มให้ หายไปไหนตั้งนานคุณรพินเฉเข้ามาเลยคิ้วอัญชมวดจุนของหัวน้าคณะคลายออกกลายเป็นรอยยิ้มแย้มพร้อมกับปบกมือเรียกจำพานก้าวเข้าไปและสุดตัวลองนั่งบนหอผ้าใบหนึ่งท่ามกลางคนเหล่านั้นผมไปตรวจดูเข้าของที่จําเป็นทางฝ่ายผมที่เตรียมไว้เผื่อจะมีอะไรขาดตกบกพร่องบ้างเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกกันใหญ่ไม่ใช่หรือคิดค่าไปมากเลยเพจ้ารุกน้องของคุณทั้งสิบีคนล้วนน่ารักน่าพบทั้งนั้นเขาเข้ากับพวกเราได้เป็นอย่างดีที่สุด เราบอกมาบนหัวเราะเป็นหน้าขหลอนแดงแสบด้วยดิบแอลกอฮอล์พวกเขาก็คงติดคาไปมากเหมือนกันที่เห็นพวกคุณร้องเพลงผู้ใหญ่รีและราวงกับพวกเขาได้อย่างสนิทสนมพวกคุณต่างหาที่ทําตัวเข้ากับพวกเขาได้อย่างสนิทสนมซึ่งผมก็ยินดีด้วยโปรดเตรียมของให้เสร็จภายในคืนนี้เลยนะครับพรุ่งนี้จะได้ไม่เสียเวลารักควรจะเข้านอนเอาแรงกันไว้แต่หัวค่าหน่อยอย่าให้ดึกนักวางว่าคุณอัมพลคงจะบอกแล้วอาหารมื้อแรกติดบงเช้าปลอดออนเดินทางขอให้ทุกคนรับประทานให้เรียบร้อย โดยคนของผมจะขึ้นมาจัดเตรียมให้และไม่ต้องห่วงว่าอาจจะไม่มีผมร่วมอยู่ในอาหารมื้อเช้าพรุ่งนี้เราจะเริ่มไปกินร่วมกันกลางป่าตั้งแต่มื้อเที่ยงของพรุ่งนี้เป็นต้นไปอ้อของสําคัญอะไรที่ต้องแบกหามไปด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษขอให้แยกส่วนสัตว์ไว้ต่างหากและแจ้งผลทราบในวันพรุ่งนี้ด้วยเพื่อจะได้จัดคนแบกหามและคุ้มครองไปด้วยในได้ถูกต้องไม่มีอะไรเลยสักนิดนะที่แสดงให้เห็นว่าคุณขายความรอบคอบ และคุณลักษณะของการเป็นผู้นำคริสพูดไปๆโดยไม่มองหน้าเขาแล้วกระแทกกระสีนเข้ากับตัวอื่นดังทวบวาจานั้นกึงสรรเสริญกึงประชดไกลๆแ ย, ก, ย, ยกกันไม่ออกและหล่อนพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วพินพูดต่อเป็นภาษาไทยหน้าตาเฉยเป็นคนละเรื่องหรือว่าขอบคุณครับครสสมดื่มมาเต็มที่แล้วเห็นจะดื่มต่อไปอีกไม่ไหวคราวนี้หล่อนหันขวับมามองหน้าเขาถับตาเขียวพูดเสียงพูดไทยเร็วปุ๊บเอ๊ะป็นพูดอย่างหนึ่งทําไมคุณถึงตอบไปอย่างหนึ่งล่ะ อ้าวก็คุณไม่ได้ถามผมว่าไม่เห็นดื่มบ้างเลยไม่ใช่รู้เชิดรู้เถอะหราก้าเดาอมยิม้มซิสยกหลังมือขึ้น ข, นขยี้ปลายจมูกสเจ้าตัวผู้ประชานคารองกระจอมคลา น, นำทางกระแทกต้นปืนลงกับพื้นบังคับ่างคุณเครื่องอารมณ์เชิดข้อขึ้นแต่แล้วก็เปลี่ยน ม, มาเป็นยิ้มมุมปากเก่งนะในความนิ่งๆเข่นขืมฉันรู้สึกว่าคุณเป็นคนรวนไม่ใช่เล่นเหมือนกันอ้าวเก็บไว้เป็นที่ระลึกขาดคำหลอนยนระเบิดมือแบบลูกเลี่ยง ซึงหยิบมาจากไหนก็ไม่ทราบให้เขาโดเร็วแล้วพินรับไว้ได้อย่างง่ายๆแล้วโยนต่อให้ครสิสไอ้เสือนั่นตาเหลือบรีบคว้าเอาไว้อย่างขันหนีดีกว่าแดมเล่นบ้าๆอะไรอย่างนี้ว้ยในผมทรงลานวินเอเตโลแรัพินไม่สนใจอมยิ้มกับชูตินา่าถ้าพวกคุณเตรียมไอลูกอย่างนี้กันมาด้วยผมขอบอกว่าไม่จําเป็นหรอกหนักเปล่าเพราะจะไม่มีโอกาสใช้เอาไดานาไมค์สาหรับระเบิดกินไปด้วยจะดีกว่า และขอบคุณที่มอบแหวนผมไปที่เราผมไม่ต้องการใช้หรอเพราะผมไม่ใช่ฆาตกรคุณแน่มากนะแม่ผมทองเน้นเสียงจอมพรศานศสัติ์สะ ช, ะชะ้าชาไม่หรอก เคมีกับฟิสิกส์ผมสอบได้คะแนนต่ำมาตลอดที่ไหนจะสู้มือชั้นอาจารย์อย่างคุณได้เรื่องอาวุธนิวเคลียร์หรือกำมันตภาพรลังสีของมันผมก็ไม่กระดิกหูเลยแต่ถ้าเสือมันกำลังจะคาบคุณหรือช้ามันกำมันจะเอางวงจับตัวคุณมาเมื่อไหร่บางทีผมอาจจะพอห้ามมันได้บ้างแล้วเขาก็หันไปพูดกับเอสางกันเอง ถ้าไม่คิดว่าเป็นการเสือกต่อในความลับอะไรของคุณผมอยากจะถามว่าพื้ของคุณติดต่อได้เรียบร้อยดีหรือครับเพรสนายทหารผู้เชี่ยวชาญการบินพยักหน้าเคลียร์ดีมากคราวนี้เขามองไปทางเดบลแม่ผมแบบปากจากยิ้มว่าเพื่อนชาของคุณคงจะพร้อมนะครับพวกผมอาจจะต้องพึ่งคุณมากเสุดเดียวคุณหมอเบลอิสเบลล่าชัยหางตาดูเขาขณะที่รัดสายย่ามหลังอย่างนั่นกระชับ สบายมากโดยเฉพาะมาเรเดียเลือดลังของพวกคุณบางคนที่ร่วมทางไปด้วยละพินเกือบจะสะดุ้งเบิกตานิดหน่อยแล้วถือปากเบาๆงานงานสืบสวนและสอบประวัติของบุคคลที่คุณจะใช้งานไม่เลวเลยมีลูกน้องของผมอยู่คนหนึ่งเป็นมาเรเดียเลื้อดลังมานานแล้วและมักจะเกิดอาการขึ้นเสมอในเวลาเดินป่าไม่จํากัดเวลาถ้าคุณเชี่ยวชาในโรคนี้เป็นพิเศษก็เป็นการดี ฉีดไซยาไนดเข็มเดียวหายขาดชันจัดการให้เองก็ได้ถ้ามีใครเกิดจับสันขึ้นมาก็ทำหันเฟรซพูดหน้าตาเฉยหล่อนร้ายไม่เช่อเรนละพินยิ้มพร่าพาจะไม่เป็นการรักษาที่โหดร้ายไปหน่อยหรือคุณคริสตนาวาเรนเตอขอโทษนะฉันชื่อคริสตนากรูบินวาเรนเตนะ่ะมันนักร้องจอมพานามือตนเองตบคอคุณพาออกมาว่าความจาค่อยบดดีแต้เป็นอันหยางเนอบอกเป็นอันหยางดอกเชื้อเวียดนาม คนไทยเขาเรียกว่ายวนยังไงละ่ะเล่นกับแม่สิแม่เพิ่มทองเวลาพูดไทยถ้าไม่เห็นตัวก็นึกว่าผู้หญิงไทยแก่นแกนคนหนึ่งเล่นของหล่อนอ่อนละเกินเจอคู่ปรับเพศตรงข้ามเขาให้อีกคนแล้วหรือยังไงนอกเหนือไปจากแม่ดอกฟ้อาอดาเ็นของเขาคนนั้นรพินทร์ไพันบอกกับตนเอง โนเตอร์สเตอร์ลี่หัวเรหาวห้าๆอย่างพอใจเดินเข้ามาตบไหลละพินรั้นแรกพวกเราหนักใจแทบตายว่าจะไปกับคุณไม่ได้ที่ไหนได้คุณเป็นคนมีอารมณ์สนุกนาน่ารักไม่เชื่อ เ, นเอรนเราสนุกสนมเป็นกันเองหยอกล้อกันบ้างอย่างนี้ก็ดีอย่างถือภาษาคริสกับเบลทั้งสองคนเป็นสุภาพสตรีก็จริง แต่เขาผ่านชีวิตมามากแล้วและแข็งแกร่งสนุกสนานได้เหมือนเพื่อนผู้ชายของคุณคนหนึ่งคริสขียงอนและเจ้าอารมณ์นิดหน่อยแต่แท้จริงก็ไม่มีอะไรเบลนั้นหัวเราะได้ตลอดการแม้กระทั่งดาบปลายปืนของเวทกองแย่อยู่ที่คอหอยผู้หญิงทั้งสองคนนี่เคยฆ่าคนมาหลายศพแล้วผมเสียอีกไม่เคยฆ่าหรือคิดจะสู้รบตบมือกับใครทั้งสิ้นเลยส่วนครสท่าทางผงผางไปอย่างนั้นเองความจริงเขาเป็นมิตรกับคนได้ง่ายเกิดง่ายหายเร็ว เราจะค่อยๆเรียนรู้นิสยยัยใจคอกันไปเองและกลุ่มของเราก็จะเป็นมิตรกันตลอดการไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ไปทํางานร่วมกันในครั้งนี้เท่านั้นนะรับพิดรับผิดไปวันลูกขยิบช้าๆยิ้มให้กับดรสเตเล่ย์และทุกคนขอบคุณท่านหัวหน้าคณะที่ทําความเข้าใจและประสานความเข้าใจผมเองก็ขอออกตัวไว้ล่วงหน้าว่าบางคณะอาจจะเครียดถึงไปบ้างโปรดอย่าเสื่อมสียและอยากจะทําตัวให้เป็นที่สนิทนมไว้วางใจของผู้คนทุกคน เป็นการดีมากที่เราได้เมลกับมาร่วมคบปะสังสันกันเสียก่อนภายในคืนนี้ผมเคยพูดหรือแสอาการอะไรออกไปบ้างที่ทำให้พวกคุณไม่พอใจก็ขออภัยด้วยเอาละครับผมจะกล่าวราษษวตรีสวัสดิ์และขอให้พระเจ้าคุณขอพวกคุณทุกคนตลอดทั้งคืนนี้เราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เชา้ากุ๊ดไนเขากล่าวขึ้นแล้วหันไปทางคริสกับเบลโดยเฉพาะก้มศรีรษะให้นิดหนึ่งวิตมจบคาก็หันกลับเดินออกจากห้อง เมมร์ปิดปากเพิ่มพันกับพระผู้ทุกคนว่าในคุณอัมพลบอกว่าคนคนนี้ซื่อซื่อทึ่งทึ่งไม่ค่อยพูดอะไรยังไงล่ะที่ไหนได้ร้ายกาจทุกด้านไม่ว่ากริยาท่าทางหรือวาจาคนคนในฝักแบบนี้น่ากลัวจริงๆเชื่อเถอะเดินปากข้างนี้เสือนี่คงจะหลอให้เราเดินกันยําแย่ๆเดียวลังแต่ผมว่าเขาเป็นฝ่ายตรวมผู้หญิงสวยประเภทน้ํานิ่งแต่ไหลลึกๆอย่างคุณจะมากกว่าแล้ ว, วะเชิดวุฒิลูกกลางป้องขึ้น ลัพิน์กลับเข้ามาในกระท่อมใหญ่ที่พักรวมคนของเขาซึ่งคืนนี้เขาจะต้องร่วมนอนกับพวกนี้ด้วยบุญคำจันเกิดและเสยยังคงนั่งสนทนาหัวร่อต่อกระิบกรนเปที่สนุกสนานพวกนั้นเกือบจะเมากันทุกคนเพราะช่วยโอกาสตอนที่พลตรีเชิญวุฒเข็นเล่าทั้งหลายประดามีซึ่งรัพินท์ใช้รับรองนายเจ้าของเขาออกไปให้ทุกคนร่วมกินแบบบาร์ฟีด้วยเลยซัดกันเป็นการใหญ่ยางได้ที่ ที่พวกนี้คึกคลื่นกัเป็นพิเศษก็คือความหนุกในการร่วมร้องเพลงและราวงกับฝรั่งทั้งสคนโดยเฉพาะคริสกัเบลตกเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของพวกผ่านปืนเมืองพวกนี้อันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทั้งสองเป็นแหม่สาวและอยู่ในเกณฑ์สวยจัดด้วยกันทั้งคู่พอพานใหญ่ก้าวเข้ามาทุกคนที่กําลังคิกคาดกันอยู่ก็พากันเงียบเกิดเลากับได้กันไว้และพินกวาดสายตามองไปยังทุกคนรวมทั้งสัมภระสฝ่ายเขาที่กองรวมกันอยู่ ซึ่งไม่มีอะไรมากมายนักส่วนมากก็จะเป็นของจําเป็นในการดํารงชีพอยู่กลางป่าตามบราษาลูก ป, ป่าของเขาและสุดตัวลงบนถุงข้าวสารดิดนิ้วเป็นสัญญาณตั้งสี่พานหัวเห็ดก็เข้ามานั่งรายรอบข้าศึกอย่างรู้ใจเอ้าผู้ใหญ่ลีฉันสี่กองประชุมแล้วเว้ยบนคํากระซิบบอกพวกนั้นบเบาๆและพินใจ้ยินจุ ป, ป่ากระเบาๆชี้หน้าหยุดละลึกระเรื่นกันเสียทีได้แล้วตอบนี้ฝั่งขงวัญระยะมองหน้าเปทีละคนและคิด ไตรตรองอยู่ทั่วครู่อย่างที่ฉันเคยบอกไว้แล้วเพื่อความปลอดภัยของพวกนายจ้างเราจะประกบป้องกันคุ้มกันเป็นลายตัวทีเดียวเกิดครับนายเป็นพานประจำตัวของคุณเชิดวุฒินะตกลงครับนายไม่มีข้อเกี่ยงงอน ใ, นใดจากพานเด็กหนุ่มเสยนายคอยดูแลฝรั่งผมทรงดานปินตัวโตวนั่นไว้ด้วยเสยผู้อายุได้เรียกกับเกือบแยกหน้นายอย่างง่ายๆครคาวนี้ค่ะก็หันไปทางจันซึ่งอาวุโส ร, รอมาจากคุณธํา ตันฝ้าแหม่มคนผมแดงไว้เข้าใจไหมเข้าใจคับนายพอเขาแปลสายตาไปที่บุญคำจอมพานเข้าจอมสัปปรพดนก็ยิ้มกล่มเอามือรูปเข้าหากันไปมารีบบอกว่าสําหรับบุญคําแงะแงะประจําตัวแหม่มผมทองแต่พก่กกรมตอนลําวงกันอยู่แหม่มยังคุยกับบุญคําเลยนายไม่ต้องบอกหรอกแหม่มจองตัวบุญคําไว้แล้วค่ะค่ะจอมพานหมันไส้เต็มทนอยากจะดีให้สักาบาปหนึ่งแต่ตาเท่าเจ้าเร่รู้ทัน ขยับตัวออกห่างพลรัศมีท้าของเขาเออดูแลแหม่มผมท้องให้ดีก็แล้วกันห้ามทะลึ่งแอบดูเขาตอนอาบน้ําด้วยถ้าฝรั่งตัวโ ต, ว ต, วตวสองคนนั่นมันกระทืบบุญคําเพราะเรื่องนี้แล้วก็ฉันไม่ช่วยหรอกนะแต่เท่าปิดปากรักคิกคักรับรองไม่ดูรอกเห็นฝรั่งตัวเมียแก่ฝ้าอาบน้ำมาเสร็จจนฉิดแล้วอย่างมากก็แค่ชำเลืองเท่านั้นแหละว่าแต่ตัวนายเถอะนายจะคุ้มครองใคร ฉันรักหน้าที่ดูแลหน้าคณะที่ชื่อบ็อบนั่นเองก็เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการเดินทางครั้งนี้เกิดกับเสยแอกบกระซึกระราบกันว่าเฮ้ยนายเราไม่ยาติดทุดเลยนี่ให้เราหนุ่มหนุ่มสองคนแทนจะให้คอยดูแลแม่มสาวน้อยแน่กลับให้ตาแก่สองคนดูแลเสนิส่วนไอเราให้ไปคุมไอนายห้างตัวโ ต, วตวยังไปยักสองตัวนั่นอะไรของเองวะไอเกิดยาติดทุบเองผู้ภาษาฝรั่งเลย พ่อไอหอกขุดภาษาไทยเว้ยยาติดพุดก็ยุติธรรมยังไงละ่ะโธเอ้ยหลงที่พูดส ง, งงบางทีนายอาจจะเห็นว่าเราหนุ่มเกินไปจะไปปั้มแม่มเข้ากระมังก็เลยให้ตาแกสองคนนั่งคุมแทนก็ทานองลุงแก่แล้วลุงก่อนนั่นแหละวะนายเราทําเป็นไม่รู้จักตาแก่ที่เด็ดอย่างลุงคําซะแล้วคุงคําได้ยินแว่แวๆหันไปถึงตาชิบหายสองตัวนี่ดินทาอะไรลปูเดี๋ยวพัดเตะรวบยอดเลย กระพินจู่ปากอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดจึงปุบ ป, ปากกันลงได้การคุ้มครองแบบประกอบตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องบอกให้เขารู้ตัวขอให้คนรู้หน้าที่เอาเองก็แล้วกันโดยการจับตาดูดการเคลื่อนไหวของพวกเขาไว้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะมาถึงตัวและถ้าเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินโดยอะไรก็ตามไม่ต้องห่วงใครอื่นทั้งสิน้นให้คอยระวังและติดตามเฉพาะคนที่ตัวเองมีหน้าที่ป้องกันแต่ เ, เวลาปกติแล้วอย่าเคียงหน้าที่กัน นายเจ้าทั้ง5้าคนจะต้องได้รับการดูแลจากพวกเราทุกคนนั่นแหละและถ้าจําเป็นจะต้องช่วยก็ให้ช่วยได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเลือกว่าใครเป็นใครอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปคลอเคลียใกล้ชิดตัวซุ้งฉิงด้วยโดยไม่จําเป็นคอยสังเกตให้ดีด้วยถ้าหากพวกเขาหมายถึงฉันหมายถึงเพราะฝรั่งสี่คนเข้าไปชุยกันกับพวกลูกหาของเราทั้งสิบคนที่สําคัญที่สุดก็คือแบมบผมทองผมแดงและนายห้างบ๊อบ พูดและฟังภาษาไทยได้ดีมากส่วนในห้างหัวเตียนนั้นพูดได้บ้างเล็กน้อยในกรณีที่เราพูดอเองโดยไม่ต้องการให้พวกเขาฟังรู้เรื่องให้ทุกคนพูดภาษาเกลี่ยงเข้าใจไหมทุกคนพ ย, ยักหน้ารับจันถามเบาๆว่าทําไมในฝรั่งพวกนี้ถึงพูดภาษาไทยได้ละนายโดยเฉพาะนายแหมผมทองนั้นพูดกับคนไทยเลยจอมพานหน้าขึ้ลงสั่นหัวพวกเขาอาจจะเรียนภาษาไทยหรือมาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็ได้อย่าไปสนใจเลยอ้อขอส่องไว้ทุกคนด้วย ผู้หลังผู้ชายสองคนนั่นคงจะไม่เท่าไร่นักแต่แหม่มผมทองกับแหม่มผมแดงซักถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของฉันแล้วก็ห้ามไม่ให้ทุกคนบอกอะไรทั้งสิ้นบอกไม่รู้ไม่ทราบอย่างเดียวแฮ่เ ฮ, ฮนายบนคำยานคางขึ้นมาจรกพันหันเอียงคอเอียงคอน ม, มองดูเขา นายจะห้ามอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกซี่เรื่องอื่นก็ช่างเถอะแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงหรือครอบครัวบุญคําต้องบอกตามตรงแล้วนะว่านายมีนายหญิงอยู่แล้วสวยกว่าแหม่มสองคนนั่นจะอีกบอกตรงๆบุญคํากันท่าขาดใจไม่ยอมให้แหม่มคนไหนไม่ว่า จ, จะผมทองหรือผมแดงมายุ่งกับนายหรอกจะบอกว่าดายมีเมียแล้วจะเตะก็เอาจอมพลานหัวเถือถือเอื้อมมือไปเขกหัวบุญคำํำแต่ไม่ถูกตามเคยก็จะเท่าหรือจะมีไม่รู้ทันเอ็นหัวหลบเสียทัน ฉันไม่ได้หมายความอย่างที่ตาคําคิดหรอกเพราะฉันก็ไม่คิดจะจุ่งเกี่ยวอะไรกับแม่มสคนนั่นเลยฉันทํางานตามหน้าที่แต่ไม่ต้องการให้เขารู้เรื่องส่วนตัวอะไรของฉันมากนักเดี่ยวสักโ น, นถามนี่ขีเ้เกียจตอบที่สัยผู้หญิงไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนก็จุกจิกจู้จี้อย่างนี้เสมอแหละฉันสาบานไว้แล้วว่าฉันจะรักและซื่อสัตย์ต่อนายหญิงของบุญคําเพียงคนเดียวตลอดไป คุณคำยิ้มออกมาได้จริงนะนายไอ้พวกนี้เองเป็นพยายนเอาไว้ด้วยถ้านายเรามีอะไรกับแหม่ม2คนนั่นกลางป่าแล้วก็ขอให้นายหยิบไปแต่งนายคนอื่นซะเลยอีสาคนชู ม, มือขึ้นร้องสนับสนุนเป็เสียงเดียวกัน ประ่ินพียครวันซ่อมยิ้มแอบชื่นใจอยู่ยิบเงียบภายในลูกน้องคนสนิทของเขาทั้ง4คนยังรักนายหญิงดาเรนเหมือนแม่กับทุกคนและไม่มีใครลืมการที่ดาเรนมานอนค้างกับเขาที่หนองน้ำแห้งนี้ก็ไม่พ้นไปจากการรู้เห็นของคนทั้ง4ี่ไปได้พวกนี้อาจจะเข้าใจเลยเถิดไปแล้วก็ได้แต่ช่างมงเถิด มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ความจงรักภักดีของบุคคลเหล่านี้ที่มีต่อราเรนเวลาเรนเป็นความชื่นชมสมาัใของเขาแต่ไม่จําเป็นจะต้องแสดงให้เห็นและถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นคุณค่าทางด้านน้าใจของบุคคลเหล่านี้ก็ไม่มีเลยนายหญิงร่วมเป็นร่วมตายร่วมทุกข์ร่วมสุขมตาตลอระยะเวลาเดินป่ามหาวิบากเสียงชีวิตประจนภัยกันมาจนแทบจะเรียกได้ว่าได้เกินชีวิตเข้ามาเป็นชีวิตเดียวกันกันกบพวกนี้แล้วรวมทั้งได้แสยงน้ําใจอันเมตตากรุณาดั่งค่าสนิทสนมเสมอด้วยญาสนิท แบบนั้นแล้วทําไมเล่าอย่างนายหญิงจึงจะไม่เข้าไปนั่งอยู่กลางใจของคนพวกนี้แม่นหล่อนจะสั่งให้ใครไปตายทุกคนก็พร้อ ม, มทำเช่นนั้นได้พวกนายรู้จักฉันมาดีแล้วทําไมถึงคิดว่าฉันจะเป็นอย่างนั้นฉันมีฉันเคยมีเรื่องยุ่งอะไรกับผู้หญิงที่ไหนบ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งการเดินทางครั้งนี้แม้จะมีผู้หญิงร่วมทางเพืยอนสองคนแต่ก็มีผู้ชายฝ่ายเข้าไปด้วยอยู่แล้วถึงเขาจะไม่ใช่ฝัวเมียกันนะครับ แต่เขาก็อาจจะมีอะไรกันอยู่พวกเขายุ่งกันเองไม่ดีกว่าที่จะมายุ่งกับฉันหรอกเพลอก็ไม่แน่เหมือนกันนั้นนายจจริงของเราเบาๆเพื่หลังมันหยอกเสียมื่อไหรพวกเราทํางานอยู่กับนายมานานและนายก็เคยพาฝรั่งทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งคู่ผัวเมียออกเที่ยวป่าหลายครั้งแล้วนางเมียหรือคู่รักที่เป็นฝ่ายผู้หญิงยังคิดจะมาเขมือบนายอยู่บ่อยๆนายนึกว่าพวกเราไม่เห็นเลิกแล้ว แ, ลแม่แหม่มสองคนนั่นก็หยอกเสมเมื่อไหร่ถ้าทางอยากจะรองดีกับนายเพื่อล็กล เอาไม่เชื่ออย่างไอ้จันร์ว่าคอยดูไปสิถึงนายไม่อยากยุ่งด้วยแหมเกิดอยากยุ่งเกิดให้ท่าขึ้นมานายก็จะเสร็จเสียท่าปเปล่าเปาเรื่องนายห้างสองคนนั้นอะไม่มีความหมายหรอกเมื่อพูดเรื่องไร้สาระกันเสียทีเถอะจึนบอกว่าไม่ก็ไม่เอาละเตรีมตัวนอนกัเสียทีฉัจะได้นอนเหมือนกันตะพิยนตัดบทแต่จันรีบบอกมาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนายจะนขอถามอะไรเปความรู้หน่อยเถอะ ฉันไม่รู้จริงๆถามนอกเรื่องนะไม่เกี่ยวกับเรื่องเดินทางหรอกท่านใหญ่ขมวดคิว้วกระชากเสียงอะไรอีกละ่ะจันหันหน้ามองเพื่อนแถามซื่อๆว่าฝรั่งนี่มันแปลกนะนายสีผมสีตามันมีต่างๆสวยดีพี่ลึกผมสีทองตาสีฟ้าผมสีแดงตาสีน้ำตาลไอ้บ้างก็ผมสีเงินเหมือนคนหัวแก่หัวหงอกบ้านเร า, ท, าทั้งที่ที่ยังสาวยังหนุ่มอยู่นายคบกับฝรั่งมามากแล้วเคยอยู่เมืองฝรั่หงหรืออาจจะเคยเล่นมวยปล้ากับพวกแหม่พวกนี้มั่ง ฉันอยากรู้จริงๆอะไรที่อยากรู้ล่ะแแห่ถ้าผมสีทองไอ้ขนตรงอื่นๆมันสีทองด้วยหรือเปล่านายแล้วถ้าผมสีแดงไอ้ตรงนั้นน่ะแดงด้วยหรือเปล่านายจอมพันธอยากจะเตะแต่เห็นสีหน้าลูกน้องที่เต็มด้วยความซื่อและอยากรู้อยากเห็นอย่างแท้จริงเช่ น, นั้นแล้วก็เลยเตะไม่ลงแด้แต่กรรปปันหรือิบิปากพลัวหัวเราะวุ้ยปากระทางบุญคาถามตปแก่หนี่ ถ้าจะรู้ดีกว่าฉันสงสัยว่าฉันเองก็ยังไม่ชมนานาญเท่าตาแก่จอมสัปดนนักแอบตัวนี่หรอกอ้าวนายไงซัดมาที่ไอ้คำอย่างนั้นล่ะดูเอ้ยไอ้คำกลายเป็นคนลียำไปเสร็จแล้วเอาว่าจะบอกให้ก็ได้ไอ้โง่จันเอย๋ยผมสีอะไรขนที่เอื่อมันก็สีอนั่นแหละวะไม่เชื่อเองลองดูขนตามแขนตามขาก็ได้แล้วข่าวนี้เองก็ได้พิสูจน์เห็นเองถ้าบอกไว้นะ่ะจริงไม่จริง ขอให้ย่องตามหลังค่าให้ดีก็แล้วกันถูกกระทึกก็กระทึดตืดกันนะเจ้านายก็บอกแล้วว่าเขาไม่ช่วยเราแต่เองกับค่าสองคนพอซัด ก, กับไอ้ฝรั่งนั่นไหวถ้ามันเล่นงานหลังเท้ากับเราถ้าองนั้นฉันกับไอ้เสยขอตามหลังลงคำม้างสิเวิดพูดอ่อยๆเจ้านายของคนเหล่านั้นโครงหัวลูกน้องของเขาแก่นกระโหลกแบบนี้ทุกคนรู้นิสัยกันมาแต่ไหนแต่ไรแต่ก็ไม่เคยมีใครทําอะไรเสียหายได้ใดในผลงาน นี่ประกาศให้รู้กันไว้ก่อนทุกคนเลยนะฝู้่งผู้ชายสองคนนั้นหนาะไม่เท่าไรหรอกแต่ถ้าหากแหนมคนไหนคนหนึ่งมาฟ้องให้ฉันในเรื่องไม่สมควรเมื่อไหร่แล้วก็ฉันเป็นกระทืบเองตีนฉันนะ่ะหนักกับตีนนายฝรั่งนะทุกคนรู้รถดีแล้วไม่ใช่หรือขนาด น, นั่นเองมีเสียงปีเท้าคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับใบฉายวับแบบมีเสียงร้องเรียกชื่อพานใหญ่เบาๆจําได้ว่าเป็นเสียงในห้างอําพลเกิดกระโดดลุกขึ้นโคลน้า ต่างของประตูกระตอ๊อบออกไปทันทีแล้วบอกอย่างร้อนรนว่านายเจ้านายจะปางกรอกลูกชายแล้วก็นายห้างอําพลเดินมาที่นี่ละพินปลาดใจลุกขึ้นยืนทันทีพร้อมกันนายอําพลท่านท่านนายพลวิชัยและคนตํารวจหรือเชิดบุตรก็โผล่หน้าเข้าประตูกระต๊อบเข้ามาละพินนายพลท่านมีธุระจะพูดกับคุณเป็นการส่วนตัวภายในคืนนี้และขอให้ผมพาคุณมาพบที่นี่ฝรั่งสีคนนั่นนอนหลับกัไปหมดแล้ว <c oughs> จอมพันหุ่นงงเล็กน้อยยิ้มออกมานิดหนึ่งในขณะที่มองจับไปยังสีหน้าขึ้นขนของท่านเจ้ากรมข่าวโอ้เขาถานเบาๆถ้าไม่จําเปไ็นจะต้องมาถึงที่นี่ให้ใครมาตามผมไปพบก็ได้นี่ครับไม่เป็นไรหลองลัพินผมให้ผมมาพบคุณเงียบๆที่นี่ดีกว่ามีเรื่องสําคัญที่ผมจะต้องพูดกับคุณก่อนการออกเดินทางและบริการส่วนตัวโดยเฉพาะขอให้มีผมคุณน้ำพลตัวคุณและเชิดปุ๋นเท่านั้น <c oughs> ยอมผ่านสินเทใจไปหมดเขาหันรีหันขวางอยู่ใจก็พยักหน้าไล่พวกผ่านขึ้นเมืองให้ออกไปข้างนอกก่อนแล้วเชิญให้ท่านทั้งสามนั่งลงบนแคร่ท่านนายพลกันดิขี้เรียกเขาเข้ามาใกล้ที่สุดจนสามารถที่จะพูดกันได้ด้วยเสียงกระซิบแล้วท่านก็เริ่มขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาจากสีหน้าแสดงความปวดหักกังวลใจอย่างลึกซึ้งแต่พินทางผมพูดให้ดีนะคุณไปทาํางานครั้งนี้เป็นตัวแทนของฝ่ายเราโดยการนําทางเพื่อภารกิจอันเป็นความรับสุดชอบ ทางผมก็มีลูกชายไปกับคุณด้วยคนหนึ่งมีฐานะอย่างเดียวกับคุณนั่นแหละคือตัวแทนของสภาการป้องกัน ร, ราชนาจากรและความปลอดภัยของประเทศชาติผมรักลูกผมอย่างไรผมก็รักคุณอย่างนั้นถือเหมือนลูกหลานคนหนึ่งผมเข้าใจดีกับท่านเจ้าพานพูดพร้อมกับพนมมือ น, นอกนอกท่านนายพลถอนใจเบาเอื้อมมือมาจับไหล่เขาไว้ผมจะนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนนี้ถ้าหากไม่มีโอกาสได้พูดอะไรกับคุณก่อนออกเดินทางโปรดบอกสถครับท่านต้องการพูดอะไรกับผม สังเกตไหมและเท่าที่ผมพอจะสืบทราบมาอเมริกันทั้ง4ี่คนมีอาวุธและอุปกรณ์ไปในด้านอาวุธก็เป็นอาวุธประเภทใช้ฆ่าคนมากกว่าที่จะใช้ป้องกันตัวเองจากสัตว์ป่าและพินเริ่มกิดแต่ยังมองไม่เห็นอะไรนะักข้อดีนีนครับเขาอาจจะคิดว่าระหว่างทางพวกเขาอาจจะประจนกับฝ่ายตรงข้ามและอา จ, จมีการต่อสู้รวมกันก็ได้จึงต้องเตรียมพร้อมส่วนอันตรายจากด้านสัตว์ป่านั้นเขาคงไม่ห่วงพวเพราะคิดว่าพวกผมมีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ป้องกันให้อยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีแต่ในงานนับตุดยอดหรืองานที่มีการจารกรรมแฝงอยู่อย่างนี้ด้วยคุณจะไว้วางใจอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นผมไม่เข้าใจครับท่านหมายถึงอะไรนี่หลานชายคุณเองก็เคยเป็นทหารและตองฉดอามาแล้วความสำคัญของคุณที่มีต่อคณะนี้อาจจะมีเพียงแค่นำ ไปให้พบกับซากเครื่องบินตกและระเบิดนิวเคลียร์ลูกนั้นเท่านั้นการคู่ระเบิดมันเป็นเรื่องของเขาและจะใช้วิธีการกู่ถายอากาศกรรมวิธีโดยละเอียดจะมีเช่นไรนั้นผมไม่ทราบรู้แต่ว่าระเบิดลูกนั้นถ้าค้นพบเมื่อไหร่ก็จะเอากลับถายอากาศเมื่อนั้นปัญหาข้อแรกที่สร้างความคลางแคลงใจให้แก่ผมซึ่งฝ่ายเขายังไม่ได้ตกลงให้เป็นที่เรียบร้อยก็คือเมื่อพบลูกระเบิดและกู้คืน ทางกาศแล้วพวกเขาก็จะต้องเดินทางกับทางกาศแน่นอนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกให้ชัดเจนว่าพวกคุณซึ่งเป็นฝ่ายนำทางจะให้กลับทางไหนจะให้กลับเพราะพวกเขาหรือว่าจะให้เดินป่ากลับกันเองแระพินนิ่งไปคู่ใหญ่หันไปมองดูเชิดบดและนายอําพลเห็นทั้งสองนั่งนิ่งขรึมและคุณคิดเช่นกันข้อนั้น ผมไม่หัวหรอกครับพวกผมมันลูกป่าอยู่แล้วและไม่ต้องการจะให้เป็นภาระอะไรกับพวกเขามากมายนักในฐานะที่พวกเขาเป็นนายจ้างพวกผมอีกอย่างหนึ่งพวกผมก็มีอยู่ตั้งสิบสี่คนถ้าหากการกับของคนเหล่านั้นจะกลับกันทางอากาศผมก็เห็นด้วยและขอให้คุณเชิดบุตกับโดยวิธีนั้นด้วยสําหรับฝ่ายผมก็จะเดินทางกลับด้วยเท้ากันเองแล้วพวกคุณสิบสี่คนรวมทั้งผมด้วยคนหนึ่งเป็นสิบห้าอันเป็นฝ่ายไทย และฝ่ายที่รู้ความรับทั้งหมดนี้คุณคิดหรือว่าเราจะมีโอกาสได้กลับออกมาจากป่าได้ภายหลังจากที่พวกเขากู้ระเบิดสำเร็จแล้วเชิร์บุดพูดเสียงต่ำเอ๊ะรัพินอุทานกระพริบตาถี่เร็วเสียงนายพลเปลี่ยนเป็นแทบจะ ก, กระซิบอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจตาราชน งานครั้งนี้ของคุณยิ่งใหญ่นักระหว่างเดินป่าและยังค้นระเบิดไม่พบคนเหล่านั้นจะเป็นมิตรที่ดีที่สุดสำหรับพวกคุณเพราะเขาหวังพึ่งคุณอยู่แต่ถ้าเขาทำสำเร็จผลแล้วเมื่อไรคุณสิบสีคนกับเชิวดวอีกหนึ่งคนอาจจะไม่มีความหมายใดๆสำหรับเขาอีกต่อไปก็ได้และกำลังของฝ่ายเขาก็อาจจะประสมทบทางอากาศอีกพูดตรงๆฝ่ายเราสห้าคนอาจจะถูกฆ่าตายทั้งหมดในทันทีที่ผู้ระเบิดได้และ เห็นว่าฝ่ายเขาปลอดภัยแล้วนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะมาเตือนให้คุณระวังตัวไว้และอยากจะถามคุณล่วงหน้าด้วยว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นพวกคุณจะทําอย่างไรอย่าลืมนะทุกสิส่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นกลางป่าเลิกที่ไม่มีพยานรู้เห็นพวกนั้นฆ่าคุณได้ง่ายดายที่สุดที่เราพูดเผื่อไว้ก็อาจจะไปทําอะไรพวกเราเลยก็ได้หรืออาจจะทำก็ได้ไม่มีอะไรมารับประกันได้เลยคําสั่งมันอาจจะมาโดยตรงจากศูนย์บัญชาการของเขาโดยที่คุณหรเชิดบุญจะไม่มีโอกาสรู้ตัวเลย ละพินอึ้งไปอีกครั้งหนึ่งเมลิษาปากเชิดวศกิจเขาบอกว่าความคุณพ่อท่านพูดไว้ให้ดีนะละพินถ้าเป็นคนรอบข้อเห็นการไายและจินต่อเล่เหลี่ยมของงานจราชนมาเป็นอย่างดีที่สุดผมเองก็นึกไปไม่ถึงเหมือนกันสภาพหลุดพายยิ้มเยือกเย็นหันไปจ้องท่านในคนอยากเคารพนะับถือเต็มเตี่ยม กรบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ท่านกรุณามเตือนให้ผมได้สำเนียงในเรื่องนี้ทางฝ่ายท่านมีอะไรจะแนะนําผมได้บ้างไหมมีสิ่งที่ผมจะแนะนําคุณก็คือก่อนพบระเบิดคุณทํางานไปอย่างสายไม่ต้องเตรียมตัวอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าพบระบดแล้วเมื่อไหร่และเห็นทีถ้าว่าจะมีการติดต่อทางอากาศได้เป็นผลสําเร็จพวกเราทั้งหมดผูหมายถึง14คนของฝ่ายคุณและลูกชายผมอีกคนหนึ่งต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมระวังตัวขีดสุดสิ่งที่ควรจะระวังก็คือหนึ่งการหักหลังยิงทิ้งพวกเราดื้อ สอรอบวางยาพิษมาในรูปของอาหารสาเร็จรูปเม็ดเล็กๆที่พวกเขามีติดตัวอยู่นั่นแหละผมเชื่อแน่ว่านอกจากมันจะเป็นอาหารสาเร็จรูปอย่างแท้จริงบางส่วนแล้วบางส่วนจะต้องเป็นยาพิษร้ายแรงเตรียมไว้ด้วยสรุปก็คือว่าพบระเบิดแล้วเมื่อไหร่พวกคุณยาประมาทก็แล้วกันและไอปืนล่าสัตว์ของพวกคุณนะอย่าใช้ยิงต่อสู้กับปืนกลสําหรับฆ่าคนโดยตรงของพวกเขาไม่ได้หรอกยิ่งถ่าได้รับการสนับสนุนจากกําลัง ฉากอากาศที่มาในรูปของการพูดระเบิดพวกเราจะไม่มีทางต่อสู้เขาได้เลยภายหลังจากการคข้ควรวนอยู่ครู่จอมทานก็หัวเราะออกมาเบาๆเขามองเป็นทางนายอำคลเห็นนั่งหน้าตีไดไปเป็นสุขถ้าได้เตือนให้ผมทราบล่วงหน้าแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นเรีย บ, ยบชๆช้าๆผมจะทำตามที่ท่านแนะนำ คือจะเริ่มระวังตัวพร้อมเมื่อพบระเบิดแล้วและที่ผมแน่ใจว่าฝ่ายผมจะเอาตัวรอดได้อย่างสบายก็คือฝ่ายผมทุกคนคว่องตัวในป่าทั้งสิ้นตรงข้ามกับฝ่ายเข้าเสียอีกจะเปรียบเสมือนคนตาบอดถ้าเกิดเรื่องการหักหลังกันขึ้นแบบนั้นพวกผมจะได้เปรียบเขาสิบตอนหนึ่งแม้ว่าจะมีกองกำลังสนับสนุนมาตาทางอากาศเท่าไรก็ตามฝ่ายผมนั้นเพียงแค่สัญญาณเพิเดียวก็สามารถเล้นตัวหายไปในพง ลกหรือว่าป่าที่แวดล้อมอยู่แล้วชีวิตที่จะตามหากันไม่พบเดียวและการต่อสู้นั้นถ้าเกิดขึ้นจริงๆแม้นาวุธฝ่ายผมจะเป็นอาวุฒเฉพาะในการล่าสัตว์มันก็หมายถึงหนึ่งนักต่อนหนชีวิตคุณแน่ใจหรือกระพินผมแน่ใจครับ แ, แน่ใจว่าจะคุ้มครองคุณเชิดวุฒิไว้ได้ด้วยหากเกิดกรณีเช่นนั้นขึ้นจอมพานกล่าวขึ้นอย่างหนักแน่นท่านในผลถอนใจนิดหนึ่งถ้าอย่างนั้นผมก็พอจะเบาใจได้ขึ้นบ้าง ขอให้คุณใช้ความเป็นประพินพายวันของคุณแก้ไขสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ผมยังไม่ทราบนโยบายทางฝ่ายท่านเลยสมมุติว่าถ้าหามีการหักหลังกันขึ้นจริงๆแบบที่ท่านเกรงไปฝ่ายผมควรทำอย่างไรบ้างท่านนายผลยังไม่ทันบอกแต่เชิดรุ่งโร่ออกมาเสียงเองว่าคุณพ่อตัดสินใจแล้วบอกผมทราบล่วงหน้าแล้วไม่ต้องเอามันไว้สักคนถ้ามันหักหลังคิดจะฆ่าทิ้งเราเมื่อได้งานเสร็จสําเร็จแล้วก็เราก็เก็บมันให้หมด ระบบระเบิดไม่ต้องกู้มันละปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นแหละยิงให้เรียบพุ้นแล้วเราก็เดินทางกลับหน้าตาเฉยนี่เป็นนโยบายแับทางฝ่ายของเราเหมือนกันที่แอบกระซิบบอกกันมาออถ้าอย่างนั้นก็สบายมากครับเลิกห่วงได้เลยอย่ว่าแต่เพียงแค่สี่คนนี่เลยต่อให้คอทั้งรำให้คุ้มเกาะด้วยผมก็จะยิงมันให้ระเบิดวายว่าไปเลยชเชียวในปา่าลึกดงดิบผมรับรองอีกครั้งว่าผมจะไม่เสียเปรียบใครเป็นอันขาด คนโท ว, วิชายยิ้มออกมาได้ดีแล้วหลานชายอย่าให้เสียเหลี่ยมความเป็นคนไทยและความเป็นเจ้าไทยของคุณเบนังขาดที่ผมมาเตือนคุณนี่ก็บอกแล้วว่าเราเตรียมการเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าจะเสียใจภายหลังทางําได้เขาอาจจะบริสุทธิ์ไม่คิดทําอะไรฝ่ายเราเลยก็ได้ทีนี้เรามาสมมติฐานกันต่อไปหากทุกสิ่งทอย่างเรียบร้อยลงได้ด้วยดีไม่มีการหักหลังและฝ่ายเขาเสนอที่จะขนพวกเราทั้งหมดกับทางอากาศด้วยเพื่อย่อนระยะทางคุณจะตัดสินใจอย่างไร สำหรับฝ่ายผม14คนก็จะขอเดินทางกลับด้วยเท้าตามเดิมครับว่าแต่คุณเชิดวุฒเดินกลับทางอากาศหรือเปล่าคนเตรีเชิดวุฒยิ้มแครนแคนสารสิสะผมคิดว่าขณะนี้ผมเป็นเลือดสีเดียวกับของคุณทั้ง14คนถ้าคุณเดินกลับผมก็เดินกลับด้วยเรื่องอะไรที่ผมจะต้องบินกลับเอาความสบายเพียงคนเดียวกระเพลินไพวันส่งมือไปให้จับดีก็เขยา่าแรงๆผมเพินงทราบแลน่ใจเดี๋ยวนี้เองว่าคุณเป็นลูกผู้ชายเลือดพ้นคนหนึ่ง และขอค า, ารวะด้วยใจจริงตกลงครับถ้าอะไรต่อไม่อะไรมันเรียบร้อยเราจะเดินทางกลับด้วยกันอันที่จริงผมก็อยากจะให้คุณกับพาอากาศเหมือนกันแต่ถ้ารักตาทางฝ่ายผมแล้วผมก็เกิดไม่แน่ใจขึ้นมาอีกเหมือนกันว่าพวกเขาจะเอาคุณไปส่งถึงที่หรือว่าฉีดโรงเสียกาอากาศที่หนึ่งที่ใดก่อนหน้าถึงที่หมาย เราอยู่ก็อยู่ด้วยกันและตายก็ตายพร้อมหน้ากันดีกว่านะครับอย่าแยกอยู่หรือว่าแยกตายโดยไม่เห็นหน้ากันอย่างนั้นเลยเราในเชิญบุตรหลักลกาผมไม่กลัวมันทีผมทิ้งกาอากาศหลอกเพราะถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นก็แปลว่าเรืบินหรือฮอลํานั้นจะต้องระเบิดชิ้นหายไว้ว่าไปพร้อมๆกันนั่นแหละ ผมเองก็นักวินาศกรรมคนหนึ่งเหมือนกันลูกเกลี้ยงพวกมันมีฝ่ายเดียวเมื่อไหร่ผมก็มีซ่อนติดตัวมาอยู่เหมือนกันแต่ผมถือว่าผมเป็นคนหนึ่งในจำนวนฝ่ายคุณเรื่องอะไรที่จะลำบากเหนื่อยยากมาด้วยกันแล้วทิ้งเพื่อนกับโดยสบายแบบนั้น ตกลงครับผมนับถือน้ำใจคุณและขอบอกให้ทราบอีกครั้งว่าในป่าแล้วพวกนี้จะเปรียบเหมือนลูกไก่อยู่ในกามือของขวายผมตลอดเวลาแต่ถ้าพบระเบิดและมีการติดต่อทางการได้แล้วหาพวกเขาจะกลายเป็นเสือขึ้นมาเมื่อไหร่ผมก็พร้อมแล้วที่จะสวมวิญญาณของพรานเสือผมไม่กลัวว่าพวกเขาจะมี M16 กันทุกคนไม่กลัวแม้กระทั่งปืนหรือระเบิดสังหาร ที่จะทิ้งลงมาเพื่อหมายทำมาชีวิตฝ่ายผมจากทางอากาศไม่กลัวเรื่องที่จะต้องอาศัยอาหารเม็ดสำเร็จรูปของพวกเขาด้วยเพราะป่าทุกแห่งมันคือบ้านของผมสบายใจได้แล้วละครับถ้าลงได้เตรียมตัวและรู้เร่วงหน้าอย่างนี้แล้วลก็ผมภาวนาขออย่าให้เกิดเรื่องอย่างที่เราระแวงไปเช่นนั้นเลยเถอะนามพนพุ่มพรนธ์แอบเครือและบอกมาตามประษาความคิดของเขาว่า ถ้าเห็นท่าไม่ดียังไงแล้วก็ทํารายวิจุติดต่อเสียก่อนก็แล้วกันระพินขัดเครื่องสื่อสารเสียอย่างเดียวพวกนี้ก็หมดท่าใช่ไหมครับท่านในพลท่านเจ้ากรกล่าวยิ้มน้อยนบอกว่าระพินกับเชิดรุทธจะรู้ดีว่าเขาควรจะทําอย่างไรบ้างเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงเพราะทั้งสองคนก็ผ่านวิชาการทหารสายการรบมาแล้วด้วยกันทั้งคู่เอาละผมมาเตือนเรื่องนี้นี่แหละคุณพักขอเสถอระพิน ผ, ผมไปแล้วนะพรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่ก่อนจากกัน ละพินลุกขินยืนเดินเร็วแล้วเดินไปส่งคณะท่านในคนหน้ากระท่อมเชิดพุธอยู่รังท้ายเพื่อนเมื่อปิดาแล้ว ทั่วอเนวยการไทยไวไลฟ์เดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วแต่ทหาชนหนุ่มก็เข้ามาชิดและกระซิบขอให้คุณเข้าใจไว้ด้วยว่าหน้าฉากเบื้องนอกผมจะเป็นฝ่ายเดียวกับอเมริกันทั้งสี่คนนั่นผมจะสนับสนมนทุกครีกับพวกเขาให้มากที่สุดส่วนพวกคุูสิบสี่คนเป็นแต่เพียงผู้รับจ้างให้นําทางในครั้งนี้เท่านั้นเราะอาจจะมีการแบ่งพวกกันอยู่ในทีคือฝ่ายในจ้างและฝ่ายประเทศําทางกับพวกลูกหา แต่ขอให้รู้ว่าจะว่าเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกขณะผมจะได้รู้ความคิดเห็นการเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ดีกว่าของคุณเพราะมีโอกาสใกล้ชิดมากกว่าเพราะฉะนั้นบางขณะผมอาจจะต้องสแสดงเบ่งอะไรบ้างหรือสแสดงความคิดเห็นเข้าข้างพวกนั้นบ้างคุณคงต้องรู้ว่านั่นคืออุบายท่านใหญ่ยิ้มค้มศีรษะเลิกลงอย่าห่วงเลยครับผมเข้าใจและต้องการให้คุณทําเช่นนั้นด้วยเพราะถ้าเขาคิดที่จะสร้างแผนร้ายอะไรขึ้นมาผมก็ต้องการให้เขามีความคิด แต่เฉพาะทางด้านฝ่ายของพวกกลุ่มเท่านั้นไม่ต้องการจะให้ลามฟารมเอาคุณเข้าไปด้วยกัรติสวัสิ์ครับทั้งสามแยกหายกันไปในความมืดแล้วโดยบ่ายหน้าไปทางเรือนพักรับรองอีกครูใหญ่พานตัวกันทั้งสี่ของเขาก็จึงทยอยไปเข้ามาทีละสองคนจัครบทั้งหมดไม่ได้ถามอะไรเขาแต่สินนาเสียอาการอยากทราบว่าคณะของท่านใผลเข้ามาพบเจ้านายด้วยเรื่องอะไรในเวลาเช่นนี้ ซึ่งดูผิดปกติไปแ ล, ล้วรัฐินก็ไม่อยากจะให้ใครคิดเป็นข้อข้องใจใดๆทั้งสิ้นจึงบอกได้เปรียบว่าไม่มีอะไรหรอกท่านในพลมาถามว่าเราจะใช้เวลาในการเดินทางกันสักนานสักเท่าไหร่และขอฝากฝังรั่งสีคนกับลูกชายด้วยโดยมากำชับอีกทีหนึ่งใครจะรู้ว่าเราจะต้องเดินทางกันนาสักเท่าไหร่จะได้กลับมาเมื่อไร่ปึงคําเปิดขึ้นลอยๆแล้วทั้งหมดก็เข้านอนกันอย่างง่ายๆเบนกระสอบบานที่ปูกับพื้นดินในกระทํา ปล่อยให้เจ้านายนอนกายน่าผากอยู่บนแคร่ตามลำพังตะพินตัดสินใจเด็ดขาดแล้วสิ่งที่ท่านนายพลมากศิษย์เตือนไว้ด้วยความห่วงใหญ่เขาไม่มีความจําเป็นที่ต้องแงพร่กรายให้ลูกน้องทุกคนทราบก่อนหน้าทั้งสิ้นเพราะจะทําให้เกิดปฏิกิริยา Cyr ขึ้นมาในหมู่ของคนของเขาและเกิดอุปสรรคยุ่งยากนานาประการขึ้นแน่นอนเ ข, เขาจะเตือนคนเหล่านี้และลูกหาบทุกคนให้เตรียมระวังตนก็แต่เฉพาะเมื่อบรรลุปเป้าหมายคนพบระเบิดลูกนั้นแล้วเท่านั้นอันหมายถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆ กว่าจะหลับลงได้สำหรับคืนนั้นก็เกือบเข้าไป1นนาฬิกาของวันใหม่สิ่งที่อยู่ในห่วงคิดและห่วงฝันตลอดทุกลมหายใจเข้าออกก็คือดาเดนวราฤทธ